เพราะวันนี้ขอประเมินรายการต่อเลยเวลาเรามีจำกัด2ชั่วโมงเออเบื้องต้นนี้แจ้งให้ทราบรายการวันนี้ก่อนว่าในอดีตนั้นสายงานเวลาประเมินผลหลังจากที่มีการเปิดคอร์ดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะให้สมาชิกแต่ละท่านได้แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติ ทั้งใหม่และเก่าซึ่งกวจะเสร็จแต่ละงานเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มหทุ่มแต่สาระที่ได้ในประเมินแล้วเนี่ยมันมีทั้ง2 ส, ส่วนส่วนที่ไร้สาระและส่วนที่มีสาระแต่หลังๆเนี่ยส่วนที่ไร้สาระเนี่ยมากกว่าส่วนที่มีสาระก็น้อยก็ทําให้ผู้ฟังก็เกิด2 อ, อารมณ์อารมณ์ที่หุดหงิดและฟุ้งซ่านและอารมณ์ที่ยินดีพอใจ ซึ่งช่วงหลังๆังนี้ก็จะเกิดความเมื่อนักปฏิบัติไม่ได้อารมณ์อารมณ์มูลยหิดฟุ้งร้างในการฟังก็จะมีมากกว่าเพราะว่าผู้พูดไม่ตรงประเด็นและก็ผู้จัดรายการเขาไม่สามารถควบคุมรายการให้เป็นไปตามตั้งใจอันนี้ส่วนแต่มาถึงจุดนี้การจัดระเบียบการปรับปรุงสายงานใหม่ามาจจะเปลี่ยนแปลงก็คือเอ่อ แทนที่เราจะมีการรายงานของแต่ละท่านทั้งหมดอย่างที่เคยทำมาตออหลังมาเอามาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการใช้ตัวแทนดังนั้นในปีนี้ามาอบรมนักศึกษาปีสีของอาศูนย์ศีลไปหรุ่น <c oughs> ก็มีการปรับเปลี่ยนปรากฏว่าแต่ละรุ่นขอโทษแต่ละรุ่นได้ผลดีมากเพราะว่ามีการประเมินผลทุกทุกขั้นตอนของการ เข้าปฏิบัติทางฝ่ายที่เป็นรูปและเป็นนามนั้นในช่วงเย็นวันนี้รูปแบบที่จัดก็คือถ้อาจารย์พง์รับทราบไว้ด้วยเดี๋ยวจะได้จัดเวทีได้ถูกก็คือเราจะใช้ตัวแทนกครหัดสาท่านตัวแทนของพระสองท่านาเราจะใช้ข้างธรรมาทางนี้ฝ่ายเครื่อหหหงหัดฝ่ายพระแล้คหัด ทั้งนั้นสท่านเป็น5ท่านอาจะมาเป็นผู้ดําเนินรายการนะในเครือข่าในแต่ละท่านนั้นจะนําเสนอมุมในข้อสังเกตที่แตกต่างกันไปส่วนจะใครจะโดนแจ็คพอตอนนั้นก็ครฟังชื่อไม่มีการเตรี่ยงเงินมาก่อนนะมีการบอกตรงๆเลยนะแต่ว่าท่านผู้นั้นได้มีการามีประสบการณ์มาแล้วระดับหนึ่งคือไม่วิจดว่า จะทำงานได้ไม่ไดนะ้ทั้งฝ่ายพระเราคือเจ้าสํานักทั้งสองท่านที่ประยานสมพงษ์เจ้าวาดจะเป็นฝ่ายต่อปัญหาด้านทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องอาการประยุกต์ใช้สติกับการงานในระดับต่างๆเพราะท่านพาพระทํางานมาตลอดย่อมจะสังเกตเห็นว่าอารมณ์การเจริญสติในการทํางานกับอารมณ์ในการเจริญสติปกติเนี่ยต่างกันอย่างไรเราไปใช้อย่างไร พระอาจารย์ชนพลจะมีประสบการณ์ตรงนี้มากท่านใช้เวลามาเป็น10บสิปีในการพัฒนาตรงนี้เพราะฉะนั้นเองครือ ข, ขยายเนี่ยเอาไว้ตรงนั้นถ้าหากว่าพระเราโยมนั่งตรงนั้นต่อกันก็คงจะไม่น่าจะปลอดภัยเพราะว่ามันจะหอนอันนี้จะขอความเมตตาพระอาจารย์มงคลช่วยจัดตรงนั้นด้วยว่าทำไมเลียวไปแล้วก็ทั้งสม ทั้สมท่านทั้งนั้นพระเราสองท่านตรงนี้นี่วาสุขของเราคงจะแยกเป็นสองข้างข้างหนึ่งไปนั่งทางโน้นเพื่เปิดพิธีตรงนี้ให้กว้างขึ้นหน่ะนะอยเนาะเพราะฉะนั้นซีด้านนี้เราจะขยับไปทางโน้นหรือจะแ บ, บ่งคนละข้างนี่จะยกธรรมะมาตรงนี้หรือจะเอาไว้ที่เดิมไหวไหมธรรมะหนักนะแต่ถ้าหากว่าเอาไว้ตรงนี้ก็สวยนะแต่ต้องใช้พลังหน่อยใช่ไหมเอาว่าแล้วเอาเลย แค่สามสี่คนพอคนละสองขั้นอ่าขอข้ออีห้าตัวคนช่วยกยู่บบสนเสริอ่ายกมาเลย <c oughs> ตรงกลางนี่เลยผมไม่หนักไม่ต้องใช้หลายคนแล้วก็ไม่สองตัวเนาะให้ได้สะดวกในการใช้ไม่ก็ใช้ตัวหนึ่งอีกสองข้าง น, นี้ก็จะโยนแกเอา ก็อีตรงนั้นสามตัวทีนี้นี้สองตัวพระทนี้สองตัวทีนี้สามตัวไวสุกแยกไปทางนี้ขึ้นหนึ่งทางนี้ขึ้นหนึ่งเอาเสียไปคนรับผืนเลยไวสุกดูเสียไปนคนผืนหนึ uh ่งดูเสียปคนนึงอ well> uh ่าเยเคนืนนันี้เสียออก ดึงพระนรุนเลยบริสุทปิดวิธีจนกลางตรงนี้เอาละเสือพื้นเดียวจะมาจับหลายคนเคนเดียวก็เลี้ เ, เฟือแหละ <c oughs> สามัคคีกันดีเลยดึงไปดึงไปให้คนเอาละแล้วก็พัดตรงนี้เข้ามาใ่พัด้านนี้เข้ามาก็นั่งคนละซี่ก็หันหน้าไปทางนี้ะไม่ใช่หันหน้าหันหน้าไปทางนี้อ่าท่านแรก ขอเดี๋ยวมาขอนั่งบนเวทีดำเนินการกันเนาะเอาละ่ะขอมาอีกตัวได้ไหมมุทสัตว์ขอที่มูลพระอาจารย์สมพงศ์เจ้าวาดวัดทำแสงเทียนแล้วพระอาจารย์พันเจ้าสำนักสมโพธียังคณะอะไ้นะซีฟรอมากนะ ฝ่ายเครือเรามีความเมตตมีความยินดีที่จะเยินเชิญเครืทั้ง3ท่านเป็นครูท่านหนึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นหมอท่านหนึ่งสามท่านขอเชิญคุณหมอกุลธรหรือหมอเจมท่านแรกท่านที่2อาจารย์วาดุณีเนี๋ยวจากหมอคุณทอนนะมาจากโรงพยาบาลรามาท่านที่2อาจารย์วาดุณีเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ทั้ง วิไลกรเทพและทั้งที่เดี๋ยวท่านคงจะรายงานเอุงมาูมาไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่แล้วก็ท่าน ท, ที่สามคุณครูอัลพินนะจากพยาวนะทั้งสามท่านก็จะเปเ ป, เป็นตัวแทนของเราในการกล่าวถึงแง่มุมต่างๆและหลังจากที่รอบแรกผ่านไปเนี่ยก็จะมีการรอบที่สองมีการสั่ถามว่าทั้งทั้งหท่านที่กล่าวประเด็นแต่ละ นำเสนอประเด็นมาเนี่ยเราก็อยากจะถามในจุดไหนบ้างก็ถามแต่ละท่านไปเรื่องอะไรจะยกมือถามหรือจะเขียนถามหรือจะส่งตัวแทนมาก็แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนทีแรกว่าจะเอาหมอพิมพ์ขึ้นมาอีกคนในหมอพิมพ์กาลัง อ, อารมณ์กา ล, ลังสรสปใสมาอยู่คงไม่ถ น, นัด <c oughs> เอาถึงประเด็นนี้กันก็ เบื้องต้นนี้มาขอนําเส น, นอก่อนว่าในการใช้ตัวแทนในการนําเสนอเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเราต้องการความหลากหลายของมิติในการที่ทําความเข้าใจท้านี้เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัตินําไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะทางฝ่ายพระเราพระจัน สมพงศ์มาอยากจะให้นําเสนอในแง่ว่าการเจริญสติแบบนี้ปัญหาอุปสรรคเบื้องต้นคืออะไรและก็อันที่2ประการเราใช้หม้สตัวเนาะไม้ดออีกตัวนึงมีอยู่แล้วนะประการที่2คือการนําสติที่เจริญมาแล้วเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการงานกับการบริหารเนี่ย ได้ผลแค่ไหนนะมีตั้งไว้สองประเด็นนี้ก่อนแล้วเมื่อเสนอประเด็นต่อไปถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะถามต่อไปนะเบื้องต้นนี้ขอที่มูลพระจันทร์สมพงศ์นะครับครก็ขอรับน้อมต่อพระรัตนตรัยขอกราบถวายความเคารพมลวงพ่ออาจารย์นิสิธรรมนะยากที่ท่านผู้ทุกท่าน เหมือนพ่อท่านกรถามเรื่องอุปสรรคในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติเริ่มต้นที่ได้ปฏิบัติมาอาตมาเห็นว่าในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีปัญหามีปัญหาซึ่งสังเกตตัวเองแล้วก็สังเ ก, กตเจ้าพิธามที่เข้ามาปฏิบัติกัน ช่องสามะเลกนะจะมีอุปสรรคมากแต่คนคนที่เข้ามานะนะถ้าเข้ามาด้วยศรัทธาแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความเพียรแล้วก็มีความอดทนที่จะสู้เนะี่ยถึงจะไหวนะในเรื่องของอุปสรรคอุปสรรคมันมีเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นมันมีนิวรณ์นั่นแหละที่เราจะจะผ่านมันนะที่จะผ่าน เพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยเราในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยคนคนใหม่ๆหรือคนเก่าที่ปฏิบัติมานานแล้วเนี่ยไม่ว่าเก่าหรือใหม่นะการปฏิบัติทำเนี่ยมันมันใหม่ตลอดนะเข้ามาเนี่ยถึงแม้เราจะปฏิบัติมานานแต่ได้เข้ามาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยแบบต่อเนื่องกันได้หลายวันเนี่ยมันก็จะมีอาการเหมือนกันยังอาตมาเนี่เห็นตัวเองเนี่ย ออกจากวัดไปเนะี่ยอวัดนะี่ยทาทุกวันนะทําทุกวันตื่นขึ้นมาตีสามคึ่งนะก็มาทําวัดแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันถึงตีห้าครึ่งถึงเตรียมตัวออกบิณฑบาตนะแล้วก็ตอนเย็นช่วงกลางวันก็ทําตลอดแต่ว่าช่วงที่เราทํหลายหลายคนเนะี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเนะ่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเห็นคนนั้นบ้างเห็นคนนี้บ้างอันนั้นบ้างอันนี้บ้างนะมันมันก็มีมีปัญหา แต่ช่วงที่มีปัญหาก็คืออยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะมีมีปัญหาก็คือนิวันต่างๆเริ่มเข้าแล้วนะเข้านะในเรื่องของอุปสรรคนะ่มันจะมีความง่วงนะ่ะนะความง่วงจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ว่าเราผ่านความง่วงมาได้นะกี่ครั้งกี่ครั้งก็ผ่านได้แต่ว่าพอได้เข้าไปอยู่คนเดียวยสามวันนะตะมาวีสามวันนะ่ะถึงจะถึงจะออก ตรงนี้ได้นะ ท, ทั้งที่ปฏิบัติมานานแต่ว่าถ้าได้เข้าไปเข้าเก็บอารมณ์จริงๆเนะี่ยมันจะมีปัญหาเลยนะต้องสามวันปรับอยู่นะถึงจะเข้าที่ได้แต่ที่ที่เราปฏิบัติอยู่กันเรืเนี้ยสบายนะในเรื่องการปฏิบัติสําหรับอุปสรรคของคนค น, คนใหม่ๆต้องให้ผ่านสามวันไปก่อนนะในเรื่องถ้าเราผ่านสามวันไปแล้วเนี่ยมัน เาจมาสังเกตดูโยมทุกคนนะวันที่หนึ่งวันที่วันที่สองเนะี่ยแย่เลยนะวันที่สามเนี่ยบางคนนี่ขอบตาเขียวเลยก็มีนะสังเกตจะไหวไหมเนาะจะไหวไหมเนาะเหมือนโยมโยมเอ่อโยมที่อันนี้นี่ยนะโอ้ดูแล้วจะไหวหรือเปล่านู้จะไหวเลยหลายหลายคนนะที่อจะมาสังเกตดูแต่ก็ทนสู้เนาะทนสู้แล้วก็มีศรัทธาที่จะสู้ต่อนะที่ มันมีกําลังใจเพราะว่าเห็นเพื่อนที่เราได้ลางปฏิบัติกั น, นหลายหคนมีกําลังใจทําให้เราต่อสู้ได้เห็นคนแ ก, กนน่ก็สู้ไหวนะคนหนุ่มก็สู้ไหวแล้วเราอะมาดูตัวเองเนี่ยอุปสรรคมันจะมีกําลังใจในเรื่องของญ า, าติธรรมหรือว่าการยานามิตรเนี่ยที่ที่เรามาร่วมกันเนี่ยมันจะทําให้เรามีกําลังใจเริ่มแร่อุปสรรคที่อาตมาไม่ไม่สงสัยเลยว่าทําไมหลวงพ่อ คนที่เข้ามาเต้องจะให้ปฏิบัติร่วมกันก่อนสามวันจะมาเข้าใจเลยในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าสามวันเนี่ยเราสามารถที่ผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้พอสามวันไปแล้วเนี่ยเราเริ่มอ่าคายเรื่องอารมณ์ต่างๆปรับอย่างละมาเนี่ยอุปสรรคก็คือที่อยู่ที่ที่อยู่ที่กินที่นอนอะไรสารพัดเลยเรายังไม่คุ้นเคย 3วันเนี่ยเราต้องมาปรับอันนี้อีกเพราะว่าเราอยู่บ้านเราไม่ได้อยู่แบบนี้จะกินจะอยู่จะทำอะไรไม่ไม่เป็นแบบนี้เราทำตามที่เราจะทำแต่เรามันอยู่นี่เราต้องปรับบางคนมาวันแรกนอนไม่หลับก็มีนะอุปสรรคก็คือนอนไม่หลับไปกลางวันไปหลับกลางวันนะต้องปฏิบัติบางคนสองวันสามวันไม่หลับก็มีนะไปปฏิบัติก็เป็นอุปสรรคนั่นกันนะแต่ว่าถ้าเราได้สามวันผ่านไป อุปสรรคตรงนั้นจะเริ่มเบาบางลงในเรื่องของความง่วงเรื่องของนิวันต่างๆจะเริ่มเริ่มลดลงไปนะในเรื่องของอุปสรรคตมาก็เป็นนะเป็นอเป็นหลายวันนะใหม่ๆนะกว่าจะเข้าที่ได้กว่าจะรู้สึกตัวได้นะก็ต้องต่อสู้แล้วก็มีความอดทนนะไม่หนนะีถ้าคนตั้งใจแล้วนี่ะแต่ อาตมาดูแล้วเนี่ยญาติโยมทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมีใจเรียกว่ า, าใจเต็มร้อยเลยแต่ละคนนะแต่ว่าวางคนก็เหลือแปดสิบางคนก็เหลือ 80, กหกสิบช่วงแรกๆนะไหวไม่นออกไหไม่นอ่อนะแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยอาตมาว่าตอนเนี้ยถึงวันที่หกวันเนี้ยอาตมาว่าทุกคนนะคงจะรู้สึกตัวเนี่ย ไม่แพ้กันนะรู้จักสติไม่แพ้กันแต่ว่านี่น้อยมีมากแค่นั้นเองนะต้องรู้ทุกคนต้องต้องเข้าใจเกือบทุกคนนะในอุปสรรคขั้นแรกนี่นหละที่อาตมาทํามาก็เป็นแบบนี้ที่เอาไปทํากับงานนะในการปึกสติเนี่ยอาตมาเนี่ยสิบปีนะสิบกว่าปีสิบเจ็ดสิบสิบสามปีสิบสี่ปีนะที่ที่อยู่ที่ทํามาอาตมา ก็ถอดเรียกว่าถอดของหลวงพ่อมาครึ่งไม่ถึงครึ่งนะได้หน่อยหนึ่งนะเกือบเกือบครึ่งอาตมาก็มาอยู่กับพระโดยมากพระวัดท่านเดี๋ยจะเยอะนะช่วงช่วงเข้าพรรษาหรือ ว, ว่าออกพรรษาก็แล้วแต่ในในช่วงนี้ก็จะเข้ามาบวชกันอีกหลายคนแช่วงที่ต้นนี่ขอเฉพาะเรื่องอุปสรรค <c oughs> ของผู้ปฏิบัติใหม่เรื่องบริหารจัดการอยู่ไว้รอบสองครับครับตออันนี้เรื่องเรื่องนี้ครับที่หลวงพ่อ บ, บอกเอาไปใช้กับงานการงานนะครับ <c oughs> <c oughs> เนาะอ่าครับผมอ่าในเรื่องของอพูดถึงปัญหาอุปสรรคของผู้ใหม่ <c oughs> เพื่อให้ผู้ใหม่ที่จะไปปฏิบัติสนามต่อไป <c oughs> ให้รู้จักอุปสรรคเบื้องแรกก่อนว่าเราควรจะทำใจอย่างไรนะท่านบอกว่าเบื้องแรกสามวันเนี่ยต้องต้องทนเอาต้องอดทนเพราะมันจะต้องนิวรนที่เราสั่งสมมาตลอดเนี่ย มันจะต้องแสดงตัวเหมือนโรคอ่ะมันจะเมื่อไปกวนมันแล้วมันก็จะปรากฏตัวขึ้นมาตรงนั้นแหละโรคมันออกฤทธิ์พอได้ยาเข้าไปใช่ไหมมันก็พอได้ยาคือสติเข้าไปมันจะออกฤทธิ์เราก็จะต้องสู้ฤทธิ์มันภายใน3วันอ่พอหลังจาก3วันไปแล้วเนี่ยฤทธิ์ยาออกแล้วโรคมันอ่อนตัวมันก็จะดีขึ้นที่ที่าชิญกล่าวมาลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนหน่อยนะ แล้วนอกจากนั้นก็คือการปรับตัวเรื่องที่อยู่ที่กินที่นอนที่ไปที่มาใหม่ทั้งหมดซึ่งเรามีอุปท า, านความเคยชินกับกันอยู่ที่เดียวเนี่ยวันั้นมาที่ใหม่ก็ปรับตัวใหม่แต่มันใช้เวลาไม่ถึงหนึ่วันสองวันจะให้ปรับตัวไดทีคงเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะคนที่มีอุปท า, านเรื่องความติดสบายเนี่ยจะปรับได้ยากมากก็เป็นอุปสรรคต่อการที่จะปรับอารมณ์ให้เข้ากับภาวนาได้อ่า ไม่ง่ายนะนี่บริษัทสองประเด็นหลักเนอะเป็นตน้นที่จะมาเพื่อการไม่เสียเวลาเราจะถามประเด็นหรือว่าโดยเฉพาะคุณหมอคุทธรหรือคุณหมอเจมเนี่ยเป็นนักศึกษาและเป็นผ <c oughs> ู้ที่หมอประจําอยู่ที่โรงพยาบาลรามา <c oughs> ในเรื่องของการสอนทางด้านการบําบัดจิตบําบัดหรือจิตวิทยาที่ท่านจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไปถือเบื้องต้นที่จะทราบว่า ที่ได้เพิ่งมางานปฏิบัติวิปัสนางานแรกเนี่ยอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นคําว่าความรู้สึกตัวแบบในรูปของแบบจิตตวิทยากับความรู้สึกตัวแบบวิปัสนาเนี่ยมีความแตกต่างอะไรอย่างไร mm hmm. หมาเจมส์ทไมต้องมีคนเดินมาสักคนว่าเ <c oughs> บื้องต้น <c oughs> ที่สังเกตเห็นได้ชัดๆเบื้องต้นน่ยไม่ซับซ้อนอะไรว่าความรู้สึกตัวแบบจิตวิทยากับความรู้สึกตัวแบบวิปัสนาที่ามาทำนี่มีความแตกต่างกันอย่างไงน่อนครับก็เ อ, อเบื้องต้นขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาก่อนนะครับก็พอดีผมเรียนเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเรียนทั่ว อ, อทั่วไปก่อนคือดูแลผู้ใหญ่ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของจิตเวชนะครับ ก็เกี่ยวกับการรู้สึกตัวในด้านทางคนไข้จิตเวชนี่นะครับก็จะเป็นอะไรที่จะไม่ได้เข้าใจยากเหมือนกับเหมือนกับที่เกี่ยวกับด้านวิปัสสนานะครับแต่ว่าจริงๆพอได้ปัสสนาอาจจะคําพูดเนี่ยอาจจะยากแต่ว่าจริงๆแล้วพอเร า, เาตั้งใจฟังที่ที่หลวงพ่อได้เทศก็ก็ ก็ไม่ได้ยากมากนักนะครับก็ถามว่าต่างกันยังไงคือถ้าเกิดในเชิงของคนไข้จิตเวชเนี่ยในเชิงของศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิทยาเนี่ยครับการรู้สึกตัวส่วนใหญ่เนี่จะ เ, เหมือนเกิดพฤติกรรมขึ้นมาก่อนแล้วครับแล้วก็ค่อยค่อยกลับค่อยย้อนกลับไปดูปัญหาว่าว่ามันเกิดจากอะไรประมาณนี้ครับ เ, เช่นมันก็จะมีหลายๆออของหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆสคูลครับหลายๆโรงเรียนที่เขาใช้เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีจิตบอมบาดอะไรพวกนี้ครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยทันมีมมอยู่อันหนึ่งที่ที่ทลักษณะคล้ายๆซึ่งจริงๆก็เป็นจิตวิทยาเชิงพุทธอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นเรื่อง mindfulness หมายถึงว่ามีมีมสติ รูตัวทั่วพร้อคล้ายๆของเราเนี่ยครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ลงลึกมากครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรงเรียนอื่นเนี่ยหมายถึงสกูอื่นๆที่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตบําบัดเนี่ยครับก็จะไม่ได้มีการรู้สึกตัวลักษณะแบบแบบของที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของการมีปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจหรือว่าจะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมก็ตามครับแล้วเราก็จะไปเจาะตรงปัญหานั้นว่ามันเกิดมาจากอะไร ถ้าเกิดจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็อาจจะมีทฤษฎีหนึ่ง เ, เป็นของอเมริกานะครับก็คือสมมติว่ามาีพฤติกรรมพฤติกรรมหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นแล้ว เ, เป็นพฤติกรรมที่อาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ได้แต่ว่าถ้าส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะส ม, มนะครับแล้วก็เขาก็จะดูลงไปว่าในพฤติกรรมนี้เนี่ยเขาเขาจะประเมินคร่าวๆคล้ายๆลักษณะเป็นเหมือนภูเขาน้าแข็งฮะ ลอยอยู่ในทะเลเนาะและคราวนี้ภูเขาน้ําแข็งเนี่ยมันจะมียอดเล็กๆครให้เราเห็นจากจากด้านบนนะครับส่วนด้านล่างทั้งหมดเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเนาะคราวนี้หมอจิตเวช ก, ก็จะมีหน้าที่ให้คนไข้เนี่ยได้รู้ว่าภายใต้ภูเขาน้ําแข็งที่มันจมอยู่ในน้าเนี่ยซึ่งมันจะฐานมันใหญ่กว่าเยอะเลยมีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้ว่าอะไรก็ตามมาแสดงเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาเนี่ยครับว่ามันคืออะไร หลักๆ ก, ก็มันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการรับรู้เป็นยังไงความคาดหวังเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกต่อความรู้สึกเป็นยังไงเ <_ S 1> ช่นสมมติบางคนกโกรธขึ้นมาใช่ไหมครับสมมติพฤติกรรมไปต่อยหน้าเพื่อนความรู้สึกคือโกรธความรู้สึกต่อความรู้สึกนั้นบางคนมีซ้อนทับเข้าไปอีกก็คือรู้สึกผิดกับตัวเองที่ไปโกรธเพื่อนแล้วไปต่อยหน้าเพื่อนประมาณเนี้ครับมันก็จะซับซ้อนนิดนึงแต่ก็พอลงไปชั้นล่างๆนี่มันจะถึงเ ความต้องการที่แท้จริงของคนคนนั้นที่ทําพฤติกรรมนั้นออกไปฮะอาจจะอยากต้องการเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปแล้วมีเพื่อนคนนั้นมาทําพฤติกรรมที่เหมือนกับไม่ยอมรับเขาอะไรเงี้ยฮะก็เลยอาจจะต้องแสดงความโกรธออกไปอะไรประมาณนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะ อ, อ, อยู่ถึงล่างสุดคือเขาเรียกว่าไลฟ์เอเนอร์จีฮะหมายถึงเป็นพลังงานของชีวิตครับซึ่งก็จะแตกต่างจากในเชิงพูทนิดนึงตรงที่ว่า ถ้าเกิดเป็นเป็นของอาทางจิตวิทยาอย่างที่ผมบอกสรุปสั้นๆก็คือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นแล้วแล้วเราค่อยๆลงไปหาครับเหมือนย้อนย้อนทางกลับไปว่าจริงๆแล้วต้นต้นเหตุคืออะไรแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วความต้องการจริงๆอน่ยเขาต้องต้องการอะไรแล้วเขาให้กับตัวเองได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ทําพฤติกรรมอย่างนั้นได้หรือเปล่าแล้วก็ไปเชื่อมโยงให้เขาเชื่อมโยงถึงพลังของชีวิตเขาครับแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่า ออจริงๆแล้วเขาเขาเชื่อมโยงแล้วก็ได้พลังนี้โดยที่ไม่ต้องไปทําพฤติกรรมที่มันไม่ดีออกมาหรือว่าปัญหาทางจิตใจบางอย่างอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าในเชิงพุทธเนี่ยออจากที่ได้ฟังพระอาจารย์เทพมาในในช่วงหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วเราเร า, เราไปเราเชื่อมโยงกับคื่ถ้าเกิดผมพูดภาษาง่ายๆก็เราเชื่อมโยงให้พวกเราทุกคนเนี่ยฮะเข้าถึงไลฟ์เอเนอร์จีหรือว่าพลังงานของชีวิต ในปัจจุบันขณะครับแล้วก็จิตสติเราก็รับรู้ทั้งกายทั้งใจใช่ไหมครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดนา ม, มารูปเหมือนที่หลวงพ่อบอกนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นในหลายๆชั้นของภูเขาน้ำแข็งอาจจะเท่าเทียบกันประมาณเนี้ครับจนเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเราเนี่ยไม่ได้รอให้เกิดพฤติกรรมแล้วค่อยลงไปแก้แต่ว่าเรา ปัจจุบันขนาดเลยโดยที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ก่อให้เกิดเป็นวงจรตามมาเรื่อยๆจนเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับก็คือจะค่อนข้างทีอ่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็แก้ที่ที่ต้นเหตุเลยไม่ให้มันลามลุกลามไปต่อครับน่าจะประมาณนี้ครับครัครับครับครับครับครับครับครับครับครับรับครับครับคบบคบรบครับแับบบบบ สัมผัส ด, ด้วยตัวเองลักษณะไหนบ้างที่มาปฏิบัติสามสี่ห้าวันมานี่ไ ค, ความรู้สึกตัวจริงๆได้ตอนวันที่สมเอ้าวันที่สี่ครับวันที่4ี่ตอนบ่ายสองครับคือตอนแรกตอนแรกบอกนิดนึงก่อนครับคือพอมาถึงปุ๊บนี่มีเพื่อนนักปฏิบัติธรรมก็บอกว่าเอ้ามาใหม่หรอเออไม่เป็นไรนะอดทนไปก่อนสัก3มวันด้วยความที่ผมก็มา ที่แรกครั้งแรกใช่ไหมครับที่ที่มานานๆนะครับเผมแล้วก็ด้วยความที่จบหมอมาก็คิดไปเลยครับว่าอ๋อสามวันสงสัยเกล้ามเนื้อมันคงคงแบบออยังไงนะครับเ อ, อมันคงแข็งแรงและวหมายถึงว่าจะพูดภาษาไงดีมันคือในช่วงแรกเวลาเราออกกำลังกายเยอะๆมันจะปวดนะครับแล้วก็พอสักพักนึงมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ก็เอ๊ะที่เราเรียนมามนเป็นอาทิตย์นะนี่สามวันเรียนหรอเออสงสัยมันคงประมาณนั้นอะไรย่เงี้ยครับ แต่ว่าเพิ่งเพิ่มาเข้าใจวันนี้ครับว่าอ๋อจริงๆแล้วมันคือนิวออลคืออะไรเงี้ยครับก็อตอนช่วงวันที่สามตอนบ่ายสองเนี่ยก็เอคือในช่วงสามวันเนี้ยรู้สึกว่ามีแต่ความหนักคือบางครั้งมันก็ผ่อนเกินนะฮะบางครั้งมันก็น้อยไปจนจนจ น, จนหลุดจนฮะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็หนักไปจนรู้สึกเหมือนว่าเราไปบังคับ แต่ว่าตอนช่วงวันวันวันวันที่สี่ตอนบ่ายสองเนี่ยฮะรู้สึกว่าคืออยู่ดีๆก็ก็เบาครับแล้วมันก็ก็รู้รู้ชัดขึ้นคือก่อนหน้านั้นวันหนึ่งวันที่สามเนี่ยพระอาจารย์ประพันธ์ได้ได้สอนแล้วก็เหมือนท่านได้อธิบายว่าเออบางครั้งเวลาที่เท้าเราเหยียบสัมผัสพื้นเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่พื้นกระเบื้องอนะครับก็เอลายกระเบื้องเนี่ยมันเป็นยังไงหมายถึงว่าแผ่นต่อแผ่นเนี่ยบางครั้งเราเหยียบลงไปเหยียบเต็มแผ่นพอดี บาครั้งเราเหยียบไปเนี่ยเหยียบตรงร่องของแผ่นพอดีมันก็จะรู้ใช่ไหมครับผมก็ทําอยู่ตั้งนานสามชั่วโมงไม่เห็นรู้เลยครับแล้วมันก็หนักไปหมดครับว่าเอายังไงคือแค่เดินเดินกับเดินเฉยๆมันยังมันยังไม่รู้เลยอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าพอถึงวันวันที่สี่ตอนบ่ายเนี่ยก็ก็ได้รู้ครับแล้วก็งงว่าว่าเออมันมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะแล้วแล้วมันก็ไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรคือมันเหยียบลงไปมันรู้เลยว่า ว่าเออมันเป็นณตอนนั้นผมเดินที่ข้างล่างนะครับที่ป่าไผ่ก็คือจะเป็นหินแหลมหินมนหินป้านกี่ก้อนหรือว่าเอ่อเป็นแบบก้านไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหยียบลงไปปุ๊บมันก็จะรู้เลยแล้วก็ก็ลองเดินเร็วดูว่ามันยังรู้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ก็ยังรู้เหมือนเดิมแล้วมันก็เบาครับแล้วก็เวลาที่เรายกแล้วก็พอพายการต้องต้องละเอียดนะครับอ่าละเอียดไหนฮะ งั้นเอาตั้งแต่เริ่มเลยครับก็คือจริงๆเนี่ยเดินง่วงเดินหลับแล้วก็ปวดหลังสลับกันอย่างเงี้ยครับมากๆแล้วก็มีเอ่อที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลง ก, ก็คือว่าเดินจนไม่ไหวละเมืม่อยละประมาณบ่ายสองฮ ะ, ะก็ก็มานั่งแล้วก็เหมือนเดิมฮะสร้างจังหวะไปสักสองสาครั้งตามันก็เริ่มหนักแล้วมันก็ปิดแต่ว่ายังไม่ได้หลับนะครับพอทันทีที่ปิดปุ๊บเนี่ยพอดีมีลมพัดมาแบบแรงมากตอนนั้น เป็นลมเย็นนะครับซึ่งเย็นมากก็งงกันว่าเออบ่ายสองทาไมลมเย็นจังแล้วมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันพัดแรงจนเสื้อเสื้อที่เราใส่สีขาวครับมันก็แบบพัดมาโดนตรงข้างๆตัวก็ก็รู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเย็นมากแล้วมันนานนะครับคือพัดสม่ําเสมอนะครับแบบโกรกมาเลยนานประมาณสักสามสิบวีได้ะครับแล้วก็เราก็รู้เลยว่าเออกายเราสบายแล้วเราก็รู้เลยว่าสักพักหนึ่ง จิตเราก็ก็สบายคือไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรฮะรู้สึกว่าเออใจเราก็สบายแล้วก็พอสามสิบวิปุ๊บมันก็หยุดฮะแล้วมันก็พัดต่อมาอีกเลยเป็นลมร้อนครับซึ่งก็ร้อนมากเหมือนกันก็รู้สึกตกใจว่าเอ้ยทาไมมันมันมันไม่ใช่อุ่นนะครับมันค่อนข้างร้อนในระดับหนึ่งจนเรารู้สึกว่าอ้าเมื่อกี้ยังเย็นอยู่เลยยังมีความสุขอยู่เลยอะไรเงี้ยครับสภาพกายมันก็รู้สึกว่าเออมันมันร้อนแล้วจิตมันก็ จากเดิมที่มันที่มันดีใช่ไหมฮะมันเหมือนกับมันเย็นสบายมันก็รู้สึกร้อนไปด้วยครับแล้วพอถึงตอนนี้ปุ๊บเราผมก็รู้สึกว่าอยู่ดีมันก็หายง่วงเลยครับแล้วก็ลืมตามาพร้อมๆกับที่ลมหยุดพัดพอดีแล้วมันก็รู้สึกสว่างอะไรขึ้นมาบางอย่างรู้สึกเบาโล่งขึ้นมาว่าเออมันคือมันมันหลายอย่างฮะอันที่หนึ่งรู้สึกว่าเออมันมันเกิดแล้วมันก็ดับจริงๆอันที่สองก็คือว่า มันก็ตามตามหลักอันนี้จังทุกข์ขานัตตาคือมันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันมันมาแล้วมันก็ไปมันเปลี่ยนแปลงตลอดอะไรเงี้ยครับอีกอันหนึ่งที่มันที่มันที่มันรู้สึกขึ้นมาคือว่าเออเรากายกับจิตมันคนคนละอย่างกันเนาะประมาณเนี้ยครับแล้วก็อีกอันนึงคือคือผมใจรู้สึกว่าตอนที่ผมเดินเนี่ยผมรู้สึกว่าจิตผมเป็นคนเห็นกายเดินแต่ว่าพอครั้งนั้นเนี้ยผมรู้สึกว่าเออ เราเห็นจิต ด, ด้วยเราเห็นกายด้วยอา้าแล้วแล้วอะไรที่ที่เป็นตัวรู้อะไรประมาณนี้ครับก็ตอนตอนนั้นพอมันมันก็เกิดสงสัยข้อนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็ได้เยนถามพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็เฉลยว่าว่าเป็นตัวสติครับก็ก็รู้สึกโด่งไปตรงนี้ครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็หลังจากนั้นพอพอรับรู้ตรงลมตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็มีกำลังใจที่จะอ่ะงั้นไม่นั่งแล้วนะลลุกขึ้นเดิน หลังจากนั้นจนถึงห้าโมงเย็นนะครับก็คือเดินแบบเดินแบบพอเหยียบลงไปได้ทั้สองสามก้าวก็อย่างอย่างที่บอกเมื่อกี้ะครับว่าก็เข้าใจที่พระอาจารย์ประพัน์สอนเลยว่าเท้าที่มันสัมผัสพื้นเนี่ยมันมันได้รา ย, ายละเอียดเยอะเยอะมากจริงๆครับแล้วก็ก้าวก็เดินเดินไปเรื่อยๆไอ้ความที่เคยง่วงมันก็ไม่ง่วงครับแล้วก็ไอ้ที่เคยรู้สึกว่ามันปวดหลังมันก็ไม่ปวดฮะเอ่อ มันก็จะมาปวดเป็นระยะๆตอนที่เราเหมือนกับเราไปดูมานะฮะว่าเออมันเอ๊ะมันยังปวดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะปวดขึ้นมาแต่พอเราไปอยู่ที่ขาปุ๊บมันก็มันก็ไม่ปวดมันก็เลยเดินได้นานขึ้นแล้วก็เบาขึ้นฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามันมันโป่งโล่งสบายแล้วก็ก็มารู้สึกตัวอีกทีว่าเราเดินยิ้มอยู่เหมือนกับเดินเดินยิ้มแบบก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยครับก็แต่ก็รู้สึกว่าเออมันมันมันสบายฮะ หลังจากนั้นก็รู้สึกเวลาที่เราพอมันเบาแล้วเนี่ยเสียงนกจริงๆมันมีอยู่ตลอดใช่ไหมครับทุกคนคงได้ยินแต่ผมไม่เคยรู้สึกว่ามันเพลาะแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามันมันได้ยินชัดขนาดนี้รู้สึกว่าเสียงนกมันชัดมากแล้วก็มันก็จะร้องแบบซ้ายมั่งขวามั่งหน้าหลังร้องโต้ตอบกันอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินหมดเนี้ยครับก็รู้สึกแบบเออมันชัดจังเลยแล้ ว, แ ล, วแล้วพอเราลืมตามองมองต้นไม้มองท้องฟ้าอะไร ผมก็ไม่ได้เช็คแว่ น, นะฮะก็แว่นเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมก็รู้สึกว่าเออทาไมมันมันชัดขึ้นมันชัดขึ้นอันนี้คือคือวันนั้นที่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เดินเดินไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกคือหมายถึงว่าเออตรงตรงที่เดิน ม, มันจะมีส่วนที่เป็นล่มไม้กับส่วนที่โดนแดดนะครับตอนแรกจะรู้สึกแค่แค่สัมผัสความอ่อนความแข็งความคมความมนของหินของอะไรเนี่ยครับแต่ว่าพอเดินไปสักชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมัน ได้รู้ว่าเออมันมีความเย็นความร้อนด้วยแล้วก็แล้วก็มันเหมือนมันมันละเอียดขึ้นนะครับอันนี้คือคือคือที่ที่ได้วันนั้นส่วนพอมาวันวันที่สี่เนี่ ย, อยพอมาวันที่ห้าก็หนักเหมือนเดิมครับเหมือนที่เหมือนที่ <laughs> ทพระอาจารย์บอกว่ามันก็พุกนอย่าง จ, จะไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็แต่เตรียมใจไว้แล้วคือก็เตรียมใจไว้แล้วก็แค่แค่รู้อะครับว่า ว่าถ้ามันมีก็มีถ้าไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นธรรมดาอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะให้มันกลับมาแต่ว่าก็กลับมาตอนประมาณบ่ายสามครึ่งมั้งครับก็เบาชัดเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกสบายมากขนาดวันที่สี่ฮะส่วนวันนี้เนี่ยง่วงทั้งวันครับแล้วมามาได้ตอนช่วงสี่ถึงห้าโมงเย็นพอดีเมื่อคือนนอนนอนไม่ค่อยหลับฮะก็ก็เลย แต่ก็แปลกฮะเพราะว่าวันวันที่สามนั้นก็นอนไม่หลับเหมือนกันแต่ก็ได้ก็เลยคิดว่าไม่ไมไมน่าจะเกี่ยวฮะผมก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปสงสัยอะไรเหมือนกันก็คงเป็นธรรมดาว่าได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ทุ่มวุฒนาแม่สะดวกยากได้เงินเนาะและเลี้ยงสูงมากคือคือจะได้ผ่านการศึกษารเรื่องอจิตวิทยาในแง่เขาจิตเวชนะเรื่จิตเวชแต่คุณหมอเจมจะพูดถึง ลักษณะที่ว่าไม่ไม่ไม่ลึกลงไปนเบื้หลักของวิชาการเนาะแต่มาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกแบบวิปัสนาที่ทำเพียงไม่กี่วันเนี่ยได้ละเอียดชัดเจนมากเลยนะนี่แสดงว่าได้รณมสณมผลดุลนำพอสมควรนะเพราะนั้นอันนี้เราอยากจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างคุหมอเจียมได้มาศึกษาเรื่องนี้เขาจะไหวมากแล้วก็โอกาสที่จะไปทาเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสอันนี้คือสิ่งที่น่าดีใจ แล้วสิ่งที่ข้อสังเกตของมะเจมก็ว่าทางด้านจิติตเวทหรือจิตเวียแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเมื่อเกิดพฤติกรรมพฤติกรรมแล้วเนี่ยเอาพฤติกรรมมาวิเคราะห์แล้แก้ไขไปตามนั้นเมื่อเกิดพฤติกรรมดึงแก้ไขแต่ในแง่ของการเจริญวิปัสสนานั้นมาแก้ไขที่ต้นเหตุไม่จําเป็นว่ามันจะต้องรอให้เกิดพฤติกรรมเสียก่อนแต่ก่อนที่จะเกิดเกิดพฤติกรรมเนี่ยอะไรมันพาให้เกิดต้างมาศึกษาตรงนั้น อันนี้คือแง่ของวิปัสนาแก้ที่ต้นเหตุในแง่ของกิจวิยาแก้ที่ปลายเหตุ <c oughs> เพราะฉะนั้นกิริยาก็เป็นเพียงสมถะ <c oughs> ระดับหนึ่ง เ, งเองที่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะอ <c oughs> ย่างนั้นจะไม่ไม่มีโอกาสทันพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าแก้ที่ต้นเหตุคนละขั้วเลยนะซึ่งจะได้บ็ดเสร็จได้รวดเร็วกว่าด้วยนะเพราะนั้นอันนี้ก็เราสรุปคร่าวๆแต่ในรายละเอียดนั้นเป็นที่น่า ย, ยินดีว่าเราก็มีความหวังว่า หมอเจียมจะศึกษาเรื่องนี้ให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นเพื่อที่จะมานำเสนออิทิวิยาแนวพุทธนะเชิงพุทธในแนวใหม่ต่อไปในอะนาคตไม่ไ ม, ไม่ไม่ไกลนี้นะเพราะว่าถ้าหนาจะต้องเข้าไปเป็นอาจารย์สอนและศึกษาแล้วก็แก้ไขคนไข้ด้วยวิธีการอันนี้ได้มากขึ้นนะทีนี้ท่านก็อ้างนะอ้างถึงเขาเรียกอะไรภ่าสภาเขาเรียก่ อ, กอะไรอ้างอิงนะาพาิงเนาะ พระพินถึงท่านตัวพันนะเพราะฉนั้นท่านตัวพันจะแก้ไขาการพระพิงว่าท่านพันนี้เป็นพระที่อยู่กันมาตั้งแต่สมัยเป็นกุหันะสน่ะมาติดตามเรื่องไปเปิดโรวตรงนู้นตนี้เมื่อเกิดสัทธาแล้วก็เข้ามาบวชแล้วก็ทําอย่างตั้งใจได้จริงจัง้วปรากฏว่านักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยเมื่อได้รับการแนะนําท่านแล้วก็รู้สึกว่าไปได้เร็วนะแล้วก็นัก คุณปราชท่านเมื่อพูดถึงเราอ้างถึงท่านเสมอแสดงว่าท่านจะมีเทคนิคอะไรดีๆในการแนะนําเรื่องนี้เพื อ, อยากจะให้ท่านพันได้พูดถึงเรื่องวิเทคนิคในการแก้ไข อ, อารมณ์ปฏิบตัติว่ามันไปติดตรงนั้นแล้วควรจะแก้ไขยังไรเพื่อไปเร็วกว่านั้นอันนี้เราจะได้เทคนิคพิเศษจากท่านนะน ะ, ะจากท่านพันเอามาเลยเอามาเลย <c oughs> ก็เราตั้งใจฟังดีว่าท่านมีเทคนิคอย่างไร คือท่านมีประสบการณ์ประสบผลในหลายปีมาแล้วเข็จะเขาเชิญผมก็ ข, ขับนำ้ำตการของพ่อแล้วก็จะเดินทำโยมเพราะว่าการใช้เทคนิคก็คือไม่มันก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจความรู้สึกตัวในแรกแรกอ่ะปัญหาที่จริงๆแล้วการภาวนาเนี่ยมันไม่มีอะไรมากมายแต่มันมีตรงที่ว่าเราเข้าใจคําพูด คือสื่อตรงที่สื่อผิดสมมติมากคนจะเข้าใจในเรื่องว่ากายต้องใจมันสั่งกายใจมันสั่งกายที่เคลื่อนไหวแต่ปกติแล้วเนี่ยคือความหมายจริงๆแล้วหลวงพ่อเขียนให้ให้เอากายเป็นผู้นําใจเป็นผู้ตามแต่ปกติคนเรามีแต่ใจเป็นผู้นํากายเป็นผู้ตามแล้ววิธีกลับมาเนี่ยกลับปฏิบัติเนี่ยก็คืออาตมาเห็นเบื้องต้นนะนะเพราะว่าคนสนมมติเวลาปฏิบัติธรรมพวกนี้เอาใจสั่งกายที่เคลื่อนไหว ใจใจสั่งกายเวลามาทำปุ๊บเนี่ยมันก็ใจมันเป็นนายอยู่แล้วเคยกายมันเคยเป็นผู้นําอยู่แล้วแล้วพอมันเข้าไปเอาใจเป็นผู้นําแล้วก็กายตามไม่ทันเป้าหมายจริงๆแล้วคือเราต้องการกายกับใจเนี่ยไปพร้อมกันให้สอดคล้องกันกายกับใจเนี่ยมันจะไปพร้อมกันถ้ามันไปพร้อมกันได้เมื่อไรเนี่ยจิตมันจะมีความสงบแต่ตอนนี้ในจิตของเราเนี่ยมไม่เคยอยู่นในกาย ก็ท่านก็เลยเอาหลวงพ่อเทียนได้บอกว่าเอากายเป็นผู้ปะผู้เคลื่อนไหวใจเป็นผู้ตามรู้เพื่อจะต้องการตัดความเร็วของใจเพราะถ้าเอาใจเป็นนายเนี่ยกลายใจเป็นผู้ตามเนี่ยใจเป็นผู้นําเนี่ยกลายเป็นผู้ตามเนี่ยใจมันเร็วเกินไปกายของเราตามไม่ทันอันนี้คือเทคนิคที่จะมาเข้าใจทีแรกเพราะว่าการที่เอาใจเป็นผู้สั่งกายกายเป็นผู้ตามถามว่ากายกับใจอะไรเร็วกว่ากันใจ ถ้ากายไปจะตามทันกายทาทันใจไหมทนันทันได้ไหมมันก็ไม่ได้มันช้าเพราะว่าคิดว่าอลองคิดดูว่าจะกลับบ้านใจนั่งอยู่นี่กาายนั่งอยู่นี่จะไปถึงน่มลักมันเร็วเกินท่านก็เลยบอกว่าจะมามาเห็นเทคนิคนิดนึงคือว่าหลวงพ่อเทียนบอกว่ากายสัมผัสใจรู้ท่านก็บอกว่ากายเป็นคนทําใจเป็นคนรู้ก็มีอยู่แล้วการเคลื่อนการไหวแต่แค่มาตามดูกายเฉยๆตามดูกายที่สัมผัสอ่ะ พอกาสัมผัสปุ๊บใจมันรู้เย็ยนร้อนอ่อนแข็งทันทีแต่พวกเราเนี่ยที่ตามที่อจะมาไปเห็นประสบการณ์ที่เกิดแก่โยมเนี่ยนะมีแต่ใจเป็นผู้เคลื่อนใจสั่งกายเคลื่อนขึ้นเคลื่อ น, นพอใจสั่งกายเคลื่อนเนี่ยโยมตรงนี้นะพอใจสั่งกายเคลื่อ น, นปุ๊บเนี่ยใจมันไม่มันทันแต่เคลื่อนแต่มันไม่ทันความรู้สึกมันรู้แต่เคลื่อนแต่มันไม่รู้สึก พอมันไม่รู้สึกปุ๊บเนี่ยเป้าหมายของพระพเทียนให้เราเนี่ให้เราทำเนี่ยก็คือต้องการความรู้สึกแต่อาศัยการเคลื่อนไหวพราเมื่อการเคลื่อนไหวปุ๊บมันก็มีการสัมผัสแต่การสัมผัสที่มันจะชัดเจนคือเวทนาเวทนาสัมผัสปุ๊บจิตมันก็จะรับทันทีพอจิตตามดูกายปุ๊บเนี่ยกายเคลื่อนป๊อปใจสัมผัสปุ๊บมันก็รู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นปัจจุบันตัวขณะที่กายกับใจปุ๊บเนี่ยขนาดความคิดอยู่มีความคิดปุ๊บ พอใจพอกายมันสัมผัสเก็บปับ๊บมันจะวิ่งกลับมาอยู่ปัจจุบันทันทีตัวปัจจุบันตรงนี้ปุ๊บทำไมต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าจิตมันเร็วจิตมันเร็วก็ต้องอาศัยของช้าถ้าของเร็วออกหน้าของช้าตามหลังมีสิทธิ์ทันกันไหมไม่ทนันถ้าของช้าออกหน้าของเร็วตามหลังมีสิทธิ์ทันกันไหมทนันนี่แหละเพราะว่าเทคนิคของอาตมา ก, ก็มีอาตมาเข้าใจแบบนี้เพราะว่าใจเป็นเป็นผู้นําแล้วใจมันเร็วอยากให้ไปนําหน้า เราต้องการเอากายกับใจไปพร้อมกันใช่ไหมเราต้องเอาการกายกับใจไปพร้อมกันแต่ว่าพอจิตมันเร็วไม่มีตัวตนแต่มันอาศรรยัยกายอยู่ใช่ไหมพอกายอาศรรยัยกายอยู่พออาการอายกายกลายเป็นรูปทำปับ๊บหย่าปุ๊บมันรู้ปับ๊บจับตรงนู้นจับตรงนี้มันเย็นจับร้อนแข็งอาการเหล่านี้เป็นความรู้สึกตัวแต่คนจะมองความรู้สึกตัวไม่ไม่เป็นก็มีแต่เคลื่อนแต่ไม่รู้สึกพอพอเราอยู่แต่เคลื่อนเนี่ย พออยู่กับเพื่อนปั๊บเพื่อนเพื่อนเนี่ยใจของเราเนี่ยแทนที่จะรู้สึกก็ไม่รู้สึกแต่ไปรู้เคพื่อนมันเป็นตัวบังของความรู้สึกคือเราสร้างความรู้ตัวสมัยเข้ามามาบังตัวความรู้สึกจริงๆมันก็เลยเห็นมันถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บหยกพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะเป็นเบอร์เบอร์ง่วงๆซึมๆแล้วเวลากระทบมามันไม่ทันอารมณ์เวลากระทบ ป, ปุ๊บกด ถ, ถ้าทํานานๆนานเนี่ยพอกระทบใจ ป, ปั๊บเนี่ยพอกระทบ ป, ปุ๊บนี่มันจะพุ่งก่อน พอพวกเสร็จสติไปตามทันมันจางพลายขณะณปัจจุบันนั้นแต่ถ้ายังจิตมันยังไม่ตามไม่ทันมันก็ยังทุกอยู่พอทุกปุ๊บเห็นปุ๊มันสลายปั๊บแต่เราพวกเรานักปฏิบัติก็เลยคิดว่าโอ้ฉันชนะความโกรธฉันหยุดความโกรธได้แต่ถ้าฉหยุดความโกรธได้มันจะไม่มันจะไม่รับขณะกระทบปุ๊บมันก็จะเฉยเพราะว่าสติของเราเนี่ยไปเป็นเราไปสร้างตัวสติตัวกั้นตัวความรู้สึกจริงๆ อย่างเช่นมาการเคลื่อนไหวมือเคลื่อนอใจของเราจะมาจุดตอนที่เคลื่อนการที่มันกระทบอยู่แหวกมือเนี่ยอย่างเช่นโยมโยกขึ้นอย่างเงี้ยโยมอยู่โยมโยขึ้เคลื่อนมีอะไรมีถ้าไปดูความรู้สึกจริงๆมือสัมผัสลมไหมแหวกขึ้นไปอะไรมันสัมผัสแขนเรานีมือสัมผัสลมลมมีตัวตนไหมเห็นไหมไม่เห็นอะไรไปรู้นั่นแหละถ้าการไม่เคลื่อนใจรู้ได้ไหมไม่ได้ถ้าเคลื่อนปุ๊บมันรู้ปับ๊บทุกขณะจิตระโยง ถ้าเราตามดูเคลื่อนไหวตัวเนี้ยตามดูความรู้สึกเนี่ยถ้ามันแหวกอะไรสัมผัสลมเนี่ยแทนเราสัมผัสลมก็รู้สึกนี่คือความรู้สึกตัวรู้สึกซื่อๆไม่มีอะไรครอบงําเลยตัวซื่อๆตัวตรงๆไปเลยเนี่ยถ้ารู้ตัวเนี้ยตัวซื่อๆเนี่ยไม่บอกว่าเไม่อชบอกรู้ซื่อๆแต่เราไม่รู้ซื่อๆเราบอกว่าเคลื่อนรู้สึกเข้ารู้สึกออกรู้สึกใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ก็ปวดต้นคอสิเกรงเครียด หัวเบอมึนอาการเหล่าเนี้ยแต่พอทำตัวนี้ปุ๊บเนี่ยพอเรารับรู้ปุ๊บเนี่ยกายของเราสัมผัสเพราะว่าสถานที่บ้างสิ่งแวดล้อมบ้างเดี๋ยวร้อนเยน็นหนาวมีอย่างเช่นเราเดินกระเบื้องเนี่ยมีลุ่มมีบ่อแต่ตามว่าเห็นบางทีเราเดินไปปุ๊บเนี่ยสัมผัสปับ๊บมันมีขยะมีฝุ่นเราก็รู้ว่าฝุ่นอะไรไปรู้นั่นคือกายสัมผัสแล้วใจพิงรู้ตามกายสัมผัสใจรู้รู้ยังไง เท้เราสัมผัสผู้เย็นมันก็บอกว่าเย็นสากก็รอกว่าสากเหนียวก็บอกว่าเหนียวเรารู้ตามความเป็นจริงแค่นี้การปฏิบัติธรรมจริงนะไม่ใช่ยากง่ายจะตายแต่ว่าเราไปสร้างตัวรู้นี้ไปบังความรู้สึกตัวทั้งๆทงี่มีความรู้สึกอันนี้ก็คือจุดแรกที่เราจับความรู้สึกตัวผิดคือวางใจหิบไม่รู้จักว่าความไปดูความความรู้สึกนั่นแหละพยายามสร้างความรู้สึกแต่ไปบอกความรู้สึก ไม่ใช่ความรู้สึกอ่าไปบอกความรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกใช่ไหมเหมือนเราไปบอกให้ความรู้สึกอ๋อถ้าไปเยียบว่าว่าให้รู้สึกโอ๋อเย็นอ๋อนี่สะอาดไปใส่ใจความรู้สึกอีกละไม่รู้ว่าแค่แตะรู้รู้ยังไงเอาแค่นั้นรู้อย่างนั้นเอาแค่นั้นขณะเดียวขณะเดียวขณะเดียวถ้าเราตามดูอย่างนี้พวกเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเก้ามอย่างขณะที่เราเดินเนี่ยแต่ละเก้าจะไม่เหมือนกันสัมผัสหินตัวตัวที่มันจะบอกความรู้สึก เท้าเป็นสื่อเส้นทางเป็นตัวบอกกําหนดความรู้สึกให้เราไม่ใช่เราไปบอกความรู้สึกเส้นทางบางทีไปเหยียบหินมันก็บอกว่าหินบอกว่าดินนุ่มมันก็บอกว่านุ่มรู้ตามเฉยเฉง่ายๆแล้วสบายๆปล่อยกายสบายๆรับรู้สบายๆนนี้คือเทคนิคที่อาตมาเห็นนะเข้าใจแล้วอาตมาใช้ใช้แบบนี้แต่ว่าถ้าเห็นอารมณ์ทําแบบว่าถ้าตามดูความรู้สึก หรือว่าบอกมันรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วรู้อารมณ์เห็นอารมณ์เห็นอาการเกิดขึ้นจากจิตแต่เอาจิตออกจากอารมณ์ไม่ได้เนี่ยถ้าไปตามดูแต่ถ้ารู้ตามเนี่ยรู้ตามกายที่สัมผัสมันบอกอะไรมันร้อนเย็นก็รู้ตามอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาอารมณ์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะมาหยุดที่ใจมันจะมาหยุดมันไม่ได้ไปโกรธให้คนอื่นเป็นคนที่เยือกเย็นมันจะลด ความโกรธความโลภความหลงออกจากใจโดยที่เราไม่ต้องไปบอกว่าช่างเขาเหอะช่างคมันเหอะมันจะออกไปของมันเองโดยธรรมชาติและสบายๆเราไม่รู้หรอกว่ามันออกตรงไหนถ้าตามดูความรู้สึกอันนี้คือประสบการณ์ของอาตมาเห็นแล้วอาตมาก็แก้คนเนี่ยมันแก้ยากไหมยากยากตรงไหนคิดทีเพราะว่าฉันเองฉันเคยทําอย่างนี้มาไปพูดอย่างนี้มันง่ายเกินไปไม่เชื่อแล้วถ้าาตัวเราเล็กพรรษาน้อยนี่คืออุ๋สักดหนึ่ง ถ้าเป็นหลวงพ่อพูดอะไรเชื่อมดแต่ถ้าพันธะน้อยๆอ่าโอ้ยไปพอปุ๊บไปถามอย่างยี้ไม่เชี่อเหรอวะผมร้นร้ี่ตัวหนักเออจริงอะไรไม่ได้ไม่ได้ว่านะตามไปเห็นจริงจริงพอเข้าไปถามหน่อยพุกเนี่ยโอ้ยต้องปลุกคาเียนบอกฉันยกมือนุ่นไปนุ่นเอถามว่าความรู้สึกตัวไหมยายรู้สึกยังไงสบายสบายสบายสบายแบบไหนยายในความรู้สึกกำมือรู้สึกไหมสบายสบาย ทั้งทั้งที่บางที่ทตรตัวเอง kel, รู้สึกม่ายายสบายๆเก็จบจะ่ตายตายังว่าสบายๆยังไม่รู้สึก <oun ar. S 1> ว่าตัวเองรู้สึกสบายเนี่ยแล้วก็ถ้าบอกว่ายาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าจะบอกลงารายละเอียนหน่อยยาอย่างนี้ปุ๊บน่นเคยหลวงพอ่อคำแจ้หลวงพ่อมาหาไล่มาแล้วนี่ยเอาตัวนี้มาบางหมดอา่าพอบอกว่ายายยายทำผิดนะแบบนี้นะอย่างบอกว่ายอมเน like like ี่ยเพ่งไปนะเนี่ยไม่ยอมรับยาลองทําอย่างนี้ดูนะ ก็ไม่ยอมรับอยู่ก็คืออัตราสูงแต่ถ้าว่าการจริงๆริงเราเปิดใจกว้างๆโยมอย่าไปคิดว่าตัวเองมามาตักประเดี๋ยมานานคนยิ่งปฏิบัติมานานเนี่ยก็ยิ่งปัญหาเยอะคือคนฟังมากๆเอาง่ว่มันอาตมาเนี่ยจําไม่ได้ฟังปุ๊บพูดจบเสร็จจบเสร็จชื่อคนทุกคน เ, นเห็นอยู่ด้วยกั น, นี่บางคนบอกร้ายบอกเลา่อลาอามาจําไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะอะไรมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรากลับมาดูโดยตัวเรานี่ สนใจเราหนิให้มากที่สุดเป็นเรื่องคนอื่นก็เรื่องของเขาไปรู้ไปก็ปวดหัวอ่านมาก็รู้มาก็จะมาพออุปสรรคของคนที่ฟังมากๆโอ้เปรียบเทียบได้ชัดเจนพอชัดเป็นปุ๊บเดินก้าวเดินตามพยายามเดินหาเดินไถได้เหมือนครูบาอาจารย์ว่าแต่สภาพของจิตสภาพของธรรมเนี่ยมเหตุปัจจัยพร้อมเอื้อถึงจะเข้าถึงไม่ใช่คิดเอาจําเอามาเปรียบเทียบถ้ายิ่งคิดมากพิ่งรู้มาก ก็ยิ่งช้ามากอันนี้พอวันมีวันหนึ่งอาจามาเดินชมกลมนะอันนี้อาจมาจะพูดว่าตอนที่อาจามาเดินมชมกลมอาารย์ก็อาจมาเดินชมกลมปุ๊บเนี่ยมันมีอยู่ว่ายิ่งรู้มากยิ่ ง, งโง่มากมันบอกในสมองของเราว่ารู้ยังไวงวะโง่มากมึงไม่เห็นเขาก็บอกว่าอย่างเช่นมหาสิเดือนจบนั่นนี่นี่พูดออกมาปุ๊บมันบรนยายทําได้หมดแต่ภายในไม่ถึงไงแต่คนก็โง่เลยท ำ, ทำไม่รู้อีโนยเนี่ยท ำ, ทำอย่างเดียวทําเป็นเป็ น, ปนตาย พอทําปุ๊บเนี่ยตัวพออามทำเนี่ยทาในใจมันจะเกิดเนีไงพอมันทําเกิดปุ๊บพอเกิดขึ้นมาเห็นปุ๊บมันก็เลยเข้าไปพอภูบาฌานฟังปุ๊บอ๋ออ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พอมันเป็นอ๋ออเนี่ยคือมันกใจของเรามันมีเพราะเราไม่รู้มากพอฟังปุ๊บก็เอาแค่ทําอย่างเดียวพอทําทำท ำ, ทำไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีทำตัวในใจเนี่ยสภาวะทําตัวสภาวะที่ท่านพูดเนี่ยมันจะตรงกับเราเป๊ะเป๊ป๊ะ ตรงแหะท่านพูดอะไรปริญัติมาปุ๊บแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมันใจของเราลองรับไปทั้งหมดเลยเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องความแรงแรกอาตมาอเอ้ยอาตมาไม่ได้หนังสืออะไรก็ไม่ได้จะพูดอะไรไม่ก็ไม่ได้ก็คิดว่าจะทําอะไรได้หรือเนี่นะคือความความหมายที่ได้แต่มาไม่มีอะไรอาตมาก็เดินอย่างเดียวทําอย่างเดียวทําทั้งวันทั้งวันอย่างหลวงพ่อบอกอ น, นะทําอย่างมากพอทำอย่างมากปุ๊บภายในใจของเรามันเกิดหลวงพ่อพูดอะไรอะไรก็ทํามันพอมันทําปุ๊บเนี่ย ปัญญาเนี่ยถามว่ า, าการพูดการจารเนี่ย ม, มันจะไหลมามองพูบมันจะไหลเข้ามาเองไม่ต้องไปคิดว่าจะ um <t ell> จะำไม่ได้ไม่คิดต้องว่าจะพูดไม่ได้สาตมาเนี่ยอาตมาคิดว่าพูดไม่ได้แต่พอพูดปุ๊บเนี่ยมันไหลมาเหมือนหาฝนจะพูดเรื่องอะไรมันก็ไหลพูดปุ๊บ ป, บปบุเป็นฉากฉา ก, ฉา ก, ฉ, ากฉากมาเลย istol? ไหลออกมาให้ส <t ell> มองนี่มองคนปุ๊บนี่ยมันจะอ่านออกเลยเห็น <t ell> ปั๊บมองหน้าปุ๊บดูปั๊บ bad. มันจะอ่านออกว่าจะช่วยยังไงจะวางยังไงอันนี้ไม่ต้องกลัวเอางงงมันอาตมาเนี่ เหมือนอาตมาเล ย, ย่ดีที่สุดไม่ต้องมีอะไรมากนะครับแค่นี้พอ <c oughs> เป็นไง <c oughs> สาใจไหมศ <c oughs> าสใจ <c oughs> ท่านทันเนี่ยเหมือนอาตมาอย่างหนี้คือถ้าคนไม่ตั้งใจฟังจริงๆจะผ่านผ่านผ่านไปเลยนะไหเพราะนั่นจะเป็นหลวงพ่อพันคนที่สองนะหลวงพ่อพันอีเทอาผิวหลวงพ่อเทียนอันนี้หลวงพ่อพันพท่าจนนะค <c oughs> ุณน อ, อะไรฮ <c> ะ <oughs> อันนนคุณการลุนช่นด้วยนะแล้วก็จบป .2 เรื่องป .4 จบป .6 ครับจบป .6 ฮ่าฮ่าฮ่หพ่อเจ้าเขเรียนจบป .2 นี่จบป .4 ยังดีกว่าจบป .6 นั้นคืไม่ได้นี่นัการศึกษาสมัยใหม่จบป .6 ในอันน้สิ้นไม่ได้นะครูผมว่ามันไม่ไปผมว่าไม่ไปชตาจะได้มาทางนี้อาจารย์วารุณีมาอยากจ้เศร้ามาที่เนี่ย เป็นคนใหม่ต่อทึ่งเรื่องเลยนะมีอุปสรรคเยอะแต่ทําไมอาจารย์วันี้ปรับตัวได้ไวแล้วเข้าใจได้เร็วซึ่งอันนี้น่าจะบอกเคล็ดลับว่าในการปรับตัวให้เก่าสถานการณ์แล้วก็คุ้นเคยได้ไวเนี่ยบางคน5้าวันเนี่ยปรับตัวไม่ได้เนะแต่อาจารย์วันนี้มาเพิ่ม3มวันปรับตัวได้ทั้งๆที่คนกรุงเทพแล้วก็เคยอยู่ในก็เรียกว่าอะไรไฮโซเนาะแต่ทํำไมปรับตัวได้ไวได้เกินอาจรบอกเทคนิคนะกราบหลวงพ่อนะคะแล้วก็พระอาจารย์ทุกท่านนะคะ แล้วก็สวัสดีท่านมิตรรักปฏิบัติด้วยกันนะคะออขอแนะนําตัวนิดนึงนะคะดิฉันชื่ อ, อ, อวารุณีอมรศิษฐ์นะคะเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น, นะคะที่วิทยเขตพนิชการพระนครเดิมแล้วก็ที่วิวทยเขตอภิภัพิมุกมหาเมฆแล้วก็ตอนหลังมาสอนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะตรงรันศิษฐ์ที่ ต้องเปลด่นิดนึงว่าที่ได้มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากคุณประจวบซึ่งเป็นน้องชายของสามีนะคะแล้วก็คุณเปี่ยมสุขภรรยาได้ชักชวนนะคะในส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจในเรื่องของธรรมะเนี่ยคืออ่านหนังสือมาพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็เพราะว่า ม, มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนคิดมากแล้วก็ ท, ทั้งที่ไม่มีมีเรื่องอะไรแต่คิดในเรื่องว่าชีวิตของตัวเองทำไมคิดมากว่าเป็นทำให้ตัวเองเป็นมีความทุกข์นะคะแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนใจร้อนใจเร็วด่วนได้ทําอะไรมักจะเร็วจนกระทั่งคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าขาดสติน ะ, ะแล้วก็ขี้ตกใจขี้ตื่นเต้นหลายๆอย่างนะคะผู้ใหญ่ก็บอกว่าเธอไม่มีสติขาดสติก็งงสงสัยว่าสติเราเนี่ยคืออะไร พอคุณประจวบกับคุณเปี่ยมสุขเอชักชวนให้มาก็อืมเราลองมาดูดูสักทีสิเพราะว่าคุณประจวบเปินไว้แล้วว่าทางสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นการที่เข้าใจถึงสติให้เข้าใจความรู้สึกตัวก็สนใจนะคะแล้วก็มานี่ท่านอาจารย์หลวงพ่อถามว่าปรับตัวได้ยังไงตอนแรกเนี่ยก็ทําตัวลําบากมากเพราะว่านอนนอนก็ไม่เคยนอนอย่างนี้แล้วก็ ห้องน้ำลำบากมากที่นี้คิดในใจพอหลวงพ่อท่านเทศท่านสอนบอกว่าออให้การเรียนธรรมะเนี่ยให้อยู่กับอยู่กับธรรมชาติให้ทำตัวง่ายๆสบายๆแล้วก็ให้เรียนรู้ศึกษาไปเมื่อเรามาเรียนรู้เราก็ต้องทำตัวให้ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมคืออย่าให้ไปทนทุกข์อย่าให้ไปฝุนกลั่นลำบากใครเขาทำอะไรได้เราก็ทำตามเขาไป แล้วเราก็ตั้งใจที่จะเราจะศึกษาแล้วเรียนแล้วเราก็ก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ยากเกินเกินกําลังของเราถ้าเผื่อเราเข้าใจเรื่องนี้นะคะการลงปฏิบัติเจริญสติแบบนี้และเคยทําอย่างอื่นมาก่อนหรือว่าเพิ่งมาเจอแบบนี้แล้วว่าพ้อยอะไรจึงรับแบบนี้ได้ไวอันมันก็แปลกใจประเด็นที่สองนั่นพอน ไม่เคยทํามาก่อนคะ่ะแต่ที่รับได้ไวัยไม่ทราบว่าวัยยุบเปล่าแต่ว่าก็ต้องขออ้างอิาจา ร, รย์ประพันธ์อาจา ร, รย์พันธ์นะคะคือวันหนึ่งก็ตอนแรกก็ทําไปมงกุฎ ม, มังงาราเดินก็เดินไปทํายกจังหวะมือก็ยกไปจนกระทั่งวันนึงแล้วก็อ่วงนอนมากแล้วก็ปวดขามากเพราะว่าตอนเช้าต้องตื่นต้องปีสาแล้วก็จะมาออกกําลังกายซึ่งไม่ไม่ไม่เคยถึงอย่างนี้นะคะแต่ว่า ท, ที่ที่สวนมะม่วงกับสวนมะขาม อาจารย์พันท่านพร อ, อิญเดินผ่านไปแล้วท่านก็ถามว่ากายท่านก็สอนว่าเรื่องของกายเคลื่อนไหวใจรับรู้ก็ยังงงๆท่านก็บอกว่าไม่ใช่ยกมือเนี่ยเป็นแล้วก็รับรู้แบบจังหวะนะเพราะตัวเองทําเป็นแบบรับรู้จังหวะตลอดเวลาพอท่านบอกว่าไม่ใช่รับรู้แบบจังหวะตัวอะไรเป็นตัวรับรู้ก็ยังตอบท่านไม่ถูกนะคะแต่ตอนแต่พอพอท่านสอนแล้วเนี่ยท่านก็เดินคล้อยหลังไป ก็กลับมาคิดก็เลยลองมาทําดูว่าเออถา้าเรายกมืออย่างนี้หรือเราเดินแล้วเราเออรับรู้กรวดทรายหรือว่าความนุ่มความแข็งเนี่ยตัวอะไรเป็นตัวรับรู้เราอ๋อใจของเราก็วิ่งตื่นเต้นวิ่งไปถามอาจารย์พันว่าอาจารย์คะออตัวสติใช่ไหมคะที่เป็นตัวรับรู้ความแข็งความอ่อนความนุ่มความหยาบ ของกายเน่ยใช่ไหมคะท่านบอกว่าใช่ตอนนั้นพอเอืน่นท่านกาลังสอนสอนอลูกศิษย์คนอื่นอยู่นะคะก็ตื่นเต้นมากว่าเออมามาถูกแล้วจนกระทั่งวันนี้เเมื่อตอนช่วงตอนเช้าก่อนเที่ยงนะคะที่จะอมอีให้ไปทานข้าวกลางวันตัวเองง่วงมากทําง่วงตลอดเวลาทันเงก็ จ, จัดความง่วงไม่ได้จะเบิกตาก็แล้วมองก็แล้วยืดเท้าก็แล้วจนกระทั่งง่วงมัน จะตกน่าจะขมามไปแล้วก็หงายหลังกลับมาตกใจกลัวใจจะดุตื่นเต๊ะไม่ง้อยเลยก็เลยมาตั้งใจทําก็สัมผัสทุกมือที่ลงไปที่เกงสัมผัสถึงความอุ่นของมือยกขึ้นมาตั้งก็สัมผัสถึงสันหลัง่ด้านข้างของมือยกขึ้นมาก็สัมผัสถึงลมยกขึ้นมาที่ตรงตรงพุงนี่ก็สัมผัสที่ตรงตรงท้องนี่ทุก ได้ทุกประการเลยและขณะนั้นเนี่ยกําลังทําอยู่เพลินไม่ไม่ที่เพลินนะรู้สึกตัวเนี่ยก็มีเสียงเสียง อ, อที่ในครัวก็ทําฝาหม้อตกดังเปรี้ยงทีตามธรรดาตัวเองจะเป็นคนตกใจเสียงไม่ชอบเสียงดังมากเท่าไหร่เสียงเปรี้ยงแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกตกใจใจที่เคยเต้นตึกๆๆๆเวลามีเสียงอะไรดังๆไม่เต้นเลยก็รู้สึกอืมนี่มันอะไรกันเนี่ยอ๋อ แทนว่าเรามีสติขึ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวอะไรที่ที่ที่ทำให้เราไม่ตื่นเต้นที่ทำให้เราไม่ไม่ตกใจพอได้โอกาสก็ไปเรียนถามท่านบอกว่านี่ตัวสติใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าใช่ตัวสติเนี่ยต้องให้ต้องให้อยู่กับใจของเราเหมือนกับแม่ที่อุ้มลูกสติก็เป็นตัวที่อุ้มใจไว้ถ้าบอม แม่อุ้มลูกลูกก็จะรู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าเมื่อไหร่แม่วางลูกก็เหมือนเราตัวเราวางสติเราก็จะรู้สึกตั้งวางรู้สึกหวาดผวาเนี่ยค่ะเป็นประสบการณ์ก็อนานหมูทนานี่ยคือมีประสบการณ์ด้านเรียนรู้มาก่อนจะดูอะไรครละเอียดไอความละเอียดตัวนี้มันขเขาเรียกโยนิสุ่มนานสิการมีความละเอียดตรงนี้ได้เปรียบตรงที่ว่าละเยะต่อการสัมผัสละเยะต่อการกระทบสติมันจะมาไว เพราะนั้นตรงนี้การปรับตัวได้ไวก็ดีอันนี้จากความได้เปรียนคือหมายความคนตามปกติโยมเคยอยู่กรุงเทพเนี่ยเรื่องอะไรก็ประณีตหมดนะที่อยู่ที่นอนอาหารการกินสิ่งแวดล้อมวิมฟัาอากาศก็ประนีตหมดแต่พอมาที่นี่ทุกอย่างมันตัวเงินข้ามา่ะแล้วทำไมปรับตัวได้ไวได้เกินอันนี้บอกเออบารมีน่าจะช่วยได้เยอะทีเดียวแล้วก็ออในส่วนคําแนะนําของอาจารย์พันที่ให้ก็มีค่า นะสามารถที่จะให้เกิดความตื่นตัวแล้วก็การสนใจในการเียนศึกษานะก็ไม่นานนะนี่ได้ได้ประสบการณ์เพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็ อ, อยากจะฝากให้นะักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยได้ได้ให้เข้าใจคําว่ารู้ชัดคือหมายความว่าในสัมผัสนั้นอนะอะไรเกิดขึ้นคําว่ารู้ชัดคือไม่ได้ไปรู้มือชัดชัดแต่ความรู้สึกที่เกิดจากมือชัดๆัตรงนี้คือมันยากในการที่จะแยกต้องไปรู้เอาเอง จะบอกตรงนี้ละเอียดขนาดไหนที่เราไม่รู้เองนะก็ยากอันนี้ขึ้นอยู่กับเรียกว่าไม่อยากจะใช้คำว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาอย่ากใช้คำว่าความละเอียดของแต่ละคนตรงนี้สอนกันไม่ได้ขึ้นแต่ละคนให้ทําไปวันหนึ่งมันเกิดโยนิโสหรือเกิดปัญญาที่นี่ปับ๊บมันจะคลิกขึ้นมาอ๋อคือความรู้สึกคืออย่างนี้บางคนก็คลิกได้เร็วแล้วไปได้ไวหมายความว่าสัมผัสได้เร็วบางคนก็ พยายามคิดว่าจะแยกอย่างไรยิ่งยิ่งแ ย, งยกยิ่งคิดยิ่งยุ่งเลยทีนี้พยายามคิดจะจะแยกความรู้สึกกับความรู้กับมือเนี่ยจะแยกยังงยิ่งยุ่งเพราะฉะนั้นสัมผัสไปเรื่อยเรู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่รู้ก็ทําไปเรื่อยเรอยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะที่มาดูคุณอรารพิน์ซึ่งในฐานะเป็นครูสอนที่ทางพยามาก่อนในฐานะที่ว่ามาสาธิตเรื่องท่วงท่าด้วยแล้วก็ประยุกต์การเจริญสติกับการออกกําลังกายเรื่อท่วงท่า ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติที่เราฝึกเรื่องท่วงท่ากันมาสามสี่วันเนี่ยจะนำไปใช้เจริญสติแล้วจะมีผลต่อการาสติเนี่ยจะเติบโตขึ้นได้ไหมแล้วก็ออกกำลังกายอย่างเนี่ยมันมีผลต่อที่จะทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างขึ้น่อนกราบในมัสการหลวงพ่อมหาดีเล่ ก็คณะสง์สวัสดีเพื่อนนักปฏิบัติทุกท่านค่ะเ อ, อดิฉันมีโอกาส อ, อมาเรียนเจริญสตินะคะแล้วก็นำสติมาใช้ในการในการที่จะที่จะทำท่วงท่าบำบัดค่ะ ปกติคนเรานี่ก็ตามที่สติเที่ยวที่เราเรียนเนาะตัวตัวเรานี่ก็มีกายกับใจเนาะกายจะทํายังไงให้แข็งแรงใจทําทํำยังไงไม่ให้ทุกข์ทำยังไงจะจะให้ไม่กายไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์เนาะการการเจริญสติเราก็เรียนตามทฤษฎีเนาะต่อไปนี้ก็เป็นการเอาเอาสติมาฝึกใช้เนาะ ฝึกใช้กับท่วงท่านะคะปกติเราก็ออกกําลังกายกันอยู่แล้วถ้าเป็นครือหัดเนาะก็การออกกําลังกายก็มีหลากหลายวิธีเนาะบางคนก็ไปเต้นแอโรบิกบางคนก็ไปทําโยคะทาจีโกงทําหลายๆอย่างนะคะเราก็รู้กันมาเป็นพื้นพื้นนะว่าการออกกําลังกายเนี่ยส่งผลต่อร่างกายของเรานะส่งผลต่อระบบหายใจ ส่งผลต่ออ่ระบบการหายใจเราหายใจได้ได้ลึกขึ้นนะคะทำให้ออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายได้มากขึ้นนะคะออกซิเจนก็มีประโยชน์ต่อร่างกายไปฟอกไปฟอกเลือดเลือดเลื อ, ลอดดําให้กลายเป็นเลือดแดงแล้วก็ร่างกายเรานําไปใช้ได้นําไปใช้ได้ดีทั้งวันนะแล้วก็ส่งผลต่อระบบการไหลเวียนของโลหิตส่งผลต่อระบบของ การขับถ่ายของเสียเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อเราก็จะก็ออกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยของเสียก็ออกมาทางผิวหนังนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายเราก็ก็ดีนะคะร่างกายเราได้เคลื่อนไหวนะเพราะฉะนั้นตามที่เรารู้รู้กันมาว่าเอ่อการออกกำลังกายเนี่ยมีผลต่อทําให้ร่างกายแข็งแรงมันก็พกผ่านระบบต่างๆของของร่างกายแบบนี้นะคะเอ่อพอเรารู้แล้วเราเร า, เราก็ทํากันแต่บางทีเราไม่ได้สังเกตเนาะ ไม่ได้ไม่ได้สังเกตร่างกายเราว่าไม่ได้ใช้สตินี่นแหละค่ ะ, ะถ้าเรามาเรียนเจริญสติแล้วมาทำท่วงท่าก็สังเกตสังเกตกายเราเนาะเวลาทำท่วงท่ามันเคลื่อนไหวยังไงอันนี้เราก็ได้ได้มิติของของจิตด้วยเนาะเราจะได้ศึกษาศึกษาศึกษาสติปัฏฐานสี่ในหมวดของกายเนาะ กายมันเคลื่อนไหวยังไงไงค ะ, ะเราก็จะได้ศึกษากายเรานะค ะ, ะแล้วก็ได้2มิติที่ว่านะคะได้ทั้งกายคือได้ออกกําลังกายไ ด, ได้เจริญสตินะคะหมวดแรกหมดหมดด้วยว่าด้วยกายาเนา ะ, ะถ้าเราฝึกอย่างนี้นะคะเราก็ได้เจริญสติแล้วแล้วก็กายเราก็ได้ประโยชน์ ดังที่กล่าวมานั่ย น, นะคะแล้วก็จากการที่ทํามานี้นะคะจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเอ6เดือนที่ทํามานี้นะคะร่างกายตัวเองดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนนี้จะเป็นจะเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้ปวดตามเนื้อตามตัวทํางานหนักไม่ค่อยได้นะคะพูดง่ายๆเนาะเป็นร่างกายอ่อนแอค่ะ <laughs> เป็นโรคร่างกายอ่อนแอเนอะเอาะทํางานหนักไม่ค่อยได้จะเหนื่อยจะเพรียค่ะแต่ว่า จาก ท, ที่ทดลองทำมานะค ะ, จะเจริญสติกับท่วงท่าคือคือเราก็มาเรียนจเจริญสติแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้นำสติมาใช้จริงๆอะคะ่ะเราลืมเอาสติไว้ไว้ในไว้ในรู่อะคะ่ะเราไม่ได้เอาสติมาฝึกใช้จริงๆหรือฝึกใช้ก็น้อยมากะคะ่ะรู้บ้างไม่รู้บัางอะคะ่ะแต่ถ้าถ้าเราตั้งสติว่าเออต่อไปนี้นะฉันจะมาะฉันจะมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนะเราตั้งตั้งไว้ในใจก่อน กะะ็จะเก็บนะคะก็จะเก็บเก็บสติทุกทุกการอันนี้บทการเคลื่อนไหวนะคะทุกความรู้สึกตัวของเราน ะ, ะ่ยค่ะถ้าเราเป็นอย่างนี้นะคะเราฝึกใช้อย่างนี้เนี่ยเดิฉันมีความรู้สึกว่ามันได้มิติทางทางทางกรรมฐานละแล้วก็กายเราที่ว่านี่นะคะเร่างกายมันเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนั้นแล้วคือมันเวลาเราทำงานหนักเนี่ยทำงานได้ทนขึ้นและอันที่สองนี่ เวลาเราทํางานหนักมากๆร่างกายเราไม่ไหวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยร่างกายไม่ไหวเนี่ยจะจะต้องเวลาปวดเมื่อยเนี่ยจะต้องไปหาถ้าไม่ไม่ชอบกินยานะคะไม่ชอบไม่ชอบแพทย์แพทแผนปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้ไปปฏิเสธนะคะจะพยายามจะพยายามใช้แพทย์ทางเลือกเพราะมีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีข้อดีของเขาแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะไม่ใช่ทุกเรื่องเลย ะะจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยมันมีความสามารถในการที่บําบัดเยียวยาตัวเองได้สูงมากนะคะสังเกตง่ายๆคือแผลเรานี่แหละนะคะเวลาเกิดแผลเนี่ยถ้าเราดูเขาดีๆรักษาเขาดีๆนะมันสมานแผลละถ้าเราไม่ร่างกายเราแข็งแรงไม่ไปโดนเชื้อหรือว่าเราใช้สมุนไพรพื้นบ้านของเราเนี่ยมันเอาอยู่ค่ะแล้วก็ท่วงท่าที่ที่ไปเรียนมานี่นะคะ เขาหมอศักดาที่ไปที่ไปไปไประยุกต์ท่วงท่าพวกนี้ไปคิดท่วงท่าพวกนี้จากจากประสบการณ์การไปเรียนของท่านนะคะเอท่านคิดมาเนี่ยท่านก็รับรองเนาะว่ามันช่วยบําบัดร่างกายได้มากจริงๆนะคะช่วยบําบัดโรคได้สารพัดโรคนะคะอันนี้ไม่ต้องเชื่อค่ะขอให้ไปฝึกไปฝึกสติกับการเคลื่อนไหว นะคะแล้วจะแล้วก็ให้ไปสังเกตร่างกายตัวเองนะคะอันนี้นี่อยากให้อยากให้นักปฏิบัติได้ฝึกสติกับท่วงท่าจริงๆนะคะเพราะมันได้สองอย่างจริงๆนะคะถ้าเราได้ได้ทดลองทำแล้วลองสังเกตะคะ่ะทำแบบสังเกตนะคะว่าเออลองทำไปสิว่าร่างกายเราจากที่เราเราสภาพเราเป็นอย่างเนี้ยแล้วลองทดลองทำสิว่ามันเป็นยังไง เพราะว่าถ้าเราได้ทดลองทำด้วยตัวเ ร, เราเองเนี่ยเวลาร่างกายเราเปลี่ยนหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนกับมันเกิดขึ้นกับตัวเองเนาะแล้วเวลาคนมาถามเนี่ยเราตอบด้วยความมั่นใจตอบได้ทุกแง่ทุกมุมอะคะ่ะแล้วอันนีพ้พอเราได้แล้วมันมันส่งผลถึงคนอื่นเนาะส่งผลถึงคนในครอบครัวที่ไม่ต้องวิ่งไปหาหมอหายาตลอดนะค ะ, ะแล้วก็ นักปฏิบัติของเราก็จะมีหลากหลายกลุ่มนะคะอย่างเช่นคนที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์ทางด้านสรีระนะคะดิฉันก็อจะไปขอความรู้จากท่านบ่อยๆว่าไอ้ท่วงท่าพวกนี้มันอา่ามันเป็นยังไงยังไงสารฮอร์โมนตัวนี้ตัวนี้มันเป็นยังไงจะไปขอความรู้จากท่านตลอดนะคะแล้วถ้าสมมติกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยอได้ทดลองทําจริงๆสังเกตจริงๆ เ, เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ย นี่ฉันว่ามันมันเป็นเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับสำหรับตัวเรานะคะเพราะว่าชีวิตเรานี่มันเหมือนมันเหมือนถูกฝังหัวมาตลอดนะคะว่าื่อเป็น้าต้องไปหาหมอต้องกินยานั้นกินยานี้ซึ่งถ้าเราคุยกับกับเภสัชกรจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆจะไม่ใช้ยาเพราะยาเนี่ยเหมือนดาบสองคมนะคะ มันเป็นประโยชน์ด้านนี้ก็จริงแต่มันเป็นไปทําลายอีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อวิถีชีวิตของเราเี่ยถูกล้างสมองมาตลอดนะคะไม่เคยพึ่งพาตัวเองเลยนะต้องพึ่งหมอพึ่งยาถูกเขาล้างสมองตลอดต้องกินยานั่นกินยานี่หมอก็ไม่ใช่ความผิดของหมอหมอเขาเรียนมาอย่างนั้นค่ะเราไปหาเขาเขาก็ต้องใช้วิชาที่เขาเรียนมานี่ยแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อ ตัวเองได้นะคะตัวเองพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้ถ้าทํางานหนักๆเหนื่อยๆเนี่ยเวลาร่างกายมันไม่ไหวเนี่ยต้องไปหาหมอให้หมอนวดไปอบยาร่างกายมันปวดมันเมื่อยอาทิตย์หนึ่งนี่แทบจะไม่ฟื้นต้องนอนทมอยู่งั้นนะคะแล้วก็ขณะที่นรา น, นอนท้มเนี่ยจิตเราก็แย่นะคะเราจะประคองสติยังไงก็รู้สึกว่ามันยากนะคะแล้วเราจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายรู้สึกแย่ไปหมด ะะแต่มาทำท่วงท่าแล้วเนี่ยที่วัดมีงานนะคะโอ้หลวงพ่อทดสอบหนักมากค่ะไม่เคยเจอหนักอะไรในอย่างนี้ในชีวิตเลยค่ะทำงานหนักกว่าที่บ้านสแสนเท่าค่ะที่บ้านนี่โอ้ยไม่อยากจะบอกว่าแม้กระทั่งถังขยะยังยังต้องให้คนมาให้เด็กนักเรียนมามาช่วยงานบ้านแล้วให้ช่วยทำนะคะที่บ้าน โอ้แต่ที่นี่นี่โอ้หนักมากค่ะแต่เป็นอะไรที่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นชีวิตใหม่จริงๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่มาเรียนท่องท่าเนี่ยร่างกายเวลาทำงานหนักเนี่ยสรุปสักวันหนึ่งเนี่ยอีกวันหนึ่งเราใช้ท่วงท่าใช้โยคะแล้วก็ใช้ดีท็อกซ์ร่างกายเราแล้วก็ทำทุกอย่างนะคะปรากฏว่ามันฟื้นเร็วมากค่ะ วันเดียวก็รู้สึกว่าเออสดชื่นกระปีก้กระเป๋าสามารถทํางานต่อได้ซึ่งเป็นชีวิตใหม่ที่ได้ค่ะรู้สึกว่าเออมั่นใจว่าตัวเองทําอะไรก็ทําได้เมื่อก่อนนี้โอ้อะไรก็ทําไม่ได้งอแงีต้องขอคนนั้นช่วยขอคนนี้ช่วยโอ้ะวุ่นวายไปหมดแต่รู้สึกว่าตอนนี้เออมั่นใจมั่นใจในตัวเองทั้งร่างกายค่ะจิตใจก็มาเรียนเจริญสติแล้วก็ก็ได้สติใหม่เลยค่ะได้ได้จิตใจใหม่ทั้งร่างกายและจิตใจใหม่งั้น อยากจะเชิญชวนทุกท่านน่ะคะ่ะว่าถ้าเรารักตัวเรานะคะรักกายรักใจเรานี้เราเราใช้เข้ามาสามสิบสี่สิบห้าสิบปีเราเคยดูแลเขาบ้างไหมกายเราเคยศึกษาความเป็นจริงของกายไหมกายเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะรู้รู้จักกายเราดีหรือยังแล้วใจเราเนี่ย เ, เราเคยได้ ได้ได้ดูเขาไหมได้ศึกษาเขาไหมเราใช้เขามาตลอดคิดฝุ่งสาดคิดซาลาพัดคิดพิตกจะหลิดไปข้างหน้าเสียใจมาข้างหลังโอ้ยสมองเรามันหุ่นวายไปหมดแล้วก็บางทีนะเราคิดว่าเราคิดมากเราไปพักผ่อนนะจริงๆไม่ใช่หรอกคะ่ะเราเราหลีกหลีกเราเราหนีมันต่างหากนะเราหนีจากอารมณ์นี้ไปใส่อารมณ์นั้นลงเก่าเราก็ไม่หายหรอกคะ่ะ มันก็ทับถมกันอยู่อย่างนั้นนะคะนั้นมามามามาเปลี่ยนชีวิตใหม่กันเถอะค่ะมาดูแลกายทําทํายังไงให้กายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเราก็ไม่ไปทุกข์กับกายเงินที่หามาได้แทบล้มแทบตายสามสี่สิบห้าสิบปีมีเงินตั้งมากมายแต่ป่วยเป็นโรคโลกหนึ่งเนี่ยหมดกันนะคะนั้นไม่สายแล้วค่ะมาศึกษากายแล้วก็ ใจเราก็เหมือนกันสำคัญที่สุดเลยค่ะแล้วก็จะได้ชีวิตใหม่ค่ะด <c oughs> ูชีวิตใหม่น่าคิดนะ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะมาว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องมีการพิสูจน์มันได้ผลถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเราเพึ่งทำไม่ได้เนี่ยต้อปฏิบัติไปทำไม่ระพุทธเจ้าตรว่าธรรมโมฮาเวรักติธรรมาจารี ทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นดิบใช่มหรือเมื่อรูปมันก็เป็นธรรมนามมันก็เป็นธรรมรูปธรรมนามธรรมแต่เมื่อรูปเป็นธรรมถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมถ้าไม่เป็นธรรมกับรูปรูปก็รักษาเราไม่ได้ธรรมในรูปก็รักษาถ้าเราไม่ปฏิบัติเป็นธรรมกับนามนามก็รักษาเราไม่ได้ธรรมรักษาผู้พฤติธรนี้หมายก็ว่าเราปฏิบัติเป็นธรรมต่อรูปด้วยปฏิบัติเป็นธรรมต่อนามด้วย ทุกวันนี้เราให้ความเป็นธรรมกับรูปกรรมน้ำเพียงพอไหมเขาฝาให้คิดหน่อยคือหมอเจมถูกว่าใ น, นมิเ่เขี่ยหลักของการออกกําลังกายแบบท่วงท่าพวกเดลมาระยมที่ที่สอนทั้ง น, นี้มากจะอ้างถึงเรื่องสับแพทย์สหมอเข้าไปทั้งที่เด็ไม่มีประสบการณ์อันนี้ตามที่ได้ทำมาสามสี่วันเนี่ยหมอเจมสมีอะไรเป็นที่เขาสังเกตว่าเราทําวันนี้มันผิดหลักวิชาบ้างหมนวล ก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ลืมครกับเดียนหลวงพ่อมหาดิเรกนะครับแล้วก็คณะสงฆ์นะครับแล้วก็กับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่นะครับเพื่อนเพื่อนักปฏิบัติธรรมทุกคนนะครับครับเมื่อกี้ลืมครับยังทันนะครับแม่ครับขอบคุณครับเอก็ครับ เกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์นะครับจริงๆที่เราทํากันที่ที่พูดกันก็ก็ไม่มีส่วนไหนที่ผิดหลักการแพทย์นะครับแต่ว่าอยากจะเสริมให้ชัดๆนิดนึงในบางอย่างที่ที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเรานะครับเผื่อว่าจะได้เอ่อได้มีกําลังใจในการทํามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตามหลักการแพทย์ก็มันมีประโยชน์หลายอย่างมากนะครับอย่างแรกเลยก็คือเอ่อสำหรับ ตัวท่วงท่าเองที่ที่คุณหมอท่านคิดมาเนี่ยครับอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าการที่ให้เท้าหนึง่งเหยียบเป็นเท้าอีกเท้าหนึง่งใช้ปลายเท้าอยู่ด้านหลังไม่อยู่เท่ากันอะไรเนี่ยครับมือหนึ่งกำ ม, มือหนึ่งแบ่สักพักหนึ่งเปลี่ยนจากแบ่จากข้อมเป็นหงายจากอะไรอย่างเงี้ยครับซ้ายขวาทําไม่เหมือนกันเนี่ยฮะอันนี้เป็นการบริหารสมองครับซึ่งจะสังเกตได้เลยว่า คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะทํายากนิดหนึ่งแต่ว่าหัดได้ครับหัดแล้วมันก็จะดีขึ้นลองดูว่าอย่างที่พระอาจารย์จะเน้นว่าอาจหนึ่งสองให้คว่ําอีกมือหนึ่งงายสามสีห้าให้งายอีกมือดึงคว่ำอะไรางเงี้ยครับใ ห, ให้ลองพยายามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะดูว่าเอ๊ะทำไปทําไมก็ให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงก็ดีแล้วยืดออกไปแต่จริงๆแล้วที่เขาคิดมาเนี่ยเพื่อเพื่อบริหาร เกี่ยวกับวงจรประสาทในสมองเราด้วยะครั บ, นะรบเพราะฉะนั้นก็อยากอยากจะให้ทำถูกต้องตามท่วงท่าที่เขากําหนดเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆครับอันนี้คือตัวที่ที่เขาคิดมานะครับสําหรับอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องการออกกาลังกายทั่วไปก็คือการที่เราได้ได้หายใจใช่ไหมครับที่อาจารย์สอนให้หายใจเข้าหายใจออกจริงๆนอกจากที่จะได้สติตามรู้ลมหายใจรู้กายแล้วเนี่ยเราก็อย่างที่อาจารย์บอกครับว่ า, วาถุงลม ในปอดเนี่ยมันมีเยอะเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นถุงลมเล็กๆฮะตามขั้วปอดมันจะคล้ายๆลักษณะเหมือนพวองอ่งุ่นแต่ว่ามันก็จะละเอียดมากค่อยๆแตกขยายไปเนาะโดยปกติคนเราทั่วไปเนี่ยครับในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะหายใจตื้นๆไม่ค่อยลึกมากแ้ถๆถ้ า, ถาได้สังเกตน ะ, นะครับแต่พอสังเกตปุ๊บเราก็อาจจะแอบหายใจลึกเองแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยตามที่หลักการแพทย์ก็คือว่าจะหายใจตื้นๆแต่ว่า มันไม่พอครับออกซิเจนร่างกายก็จะหายใจลึกครั้งหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับเหมือนเป็นอัตโนมัตินะครับเพื่อให้ค่าเฉลี่ยที่ออกซิเจนจะเข้าไปในเลือดเนี่ยมันมันมันเหมาะสมก็จะหายใจลึกเองครั้งหนึ่งแล้วก็หายใจตื้นต่อพอมันเริ่มไม่พอก็จะหายใจลึกโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวนะครับแต่ว่าต่อไปเราจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าเราได้เจริญสติแล้วนะครับก็ อันนั้นเป็นขั้นต่ําของร่างกายครับแต่การที่เราได้ออกกาลังกายอย่างนี้ก็ทําให้ออกซิเจนมันเข้าไปได้เต็มที่มากกว่าขั้นต่ำมากมากก็ก็ดีครเป็นผลดีต่อร่างกายอย่างอื่นทั่วไปก็เช่นเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้ออันนี้ก็ออกกําลังกายทุกอย่างก็เขาก็เน้นตรงนี้อยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อเรื่องกระดูกเรื่องกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยครับก็เรื่องเกี่ยวกับเส้นเอ็นเส้นเอ็นก็คือต่อจากกระดูกกับกระดูกเนาะ แล้วก็ต่อจากกล้ามเนื้อกับกระดูกหมายถึงที่มันไปยึดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ทั้งกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเรื่องข้อนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับทั่วทวไปแล้วซึ่งช่วงท่าที่ที่พระอาจารย์สอนเนี่ยจะเหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่ามันมันไม่หนักเกินไปเนาะมันไม่เหมือนแอโรบิกที่ต้องไปร ก, กระโดดลดเต้นอะไรมากมายฮนะและอันนี้มันก็ก็ได้ได้หลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆก็ก็ดีมากๆครับส่วนอย่างอื่นสาหรับระบบหัวใจเนี่ย การออกกําลังกายทุกอย่างก็ก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องระบบหัวใจนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องทําให้ถูกต้องนิดนึงคือระยะเวลาฮะคือช่วงท่านี้ก็ตามนั้นเลยแต่ว่าระยะเวลานี้ต้องทําต่อเนื่องอย่างน้อย 20-30 นาทีติดต่อกันนะครับสมมุติถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ทําไปปุ๊บสินาทีอเอาเหนื่อยและนั่งพักก่อนแล้วก็มาทําใหม่10นาทีอันนี้ไม่นับนะครับต้องทําติดต่อกันรวดเดียวฮะ2 0่สนาทีถึงครึ่งชั่วโมง สัปดาห์หนึงจริงๆถ้าทาทุกวันได้ก็ดีครับสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ถึงจะเป็นการบริหารร่างกายจริงๆแล้วโดยเฉพาะบริหารกล้ามเนื้อหัวใจพวกเนี้นะครับเพราะว่ามันจะเวลาที่เราออกแรงเนี่ยหัวใจจะบีบตัวแรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะต้องตามงานวิจัยก็คือต้องประมาณนี้นะครับอันนี้ก็พูดคร่าวๆต่อไปเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายฮะอันนี้ก็ชัดเจนอย่างที่เรารู้กันว่าสมมุติถ้าเกิดเรา หลังผ่าตัดคนที่ผ่าตัดใหม่ๆเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะรอให้แผลหายดีก่อนค่อยลงจากเตียงเดี๋ยวนี้การวิจัยใหม่แผลหายไม่หายยังไม่ไม่ค่อยฟรีเลียครับแต่ว่าต้องรีบเดินลงมาลุกเดินได้ได้เท่าไหร่เหมือนเป็นการออกกำลังกายครับให้เร็วเท่าไหร่ระบบการทํางานการขับถ่ายการย่อยโดยเฉพาะการบีบตัวของลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อะไรเงี้ยครับมันก็จะทํางานได้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะสังเกตได้ได้ได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดเราบริหารแบบที่พระอาจารย์สอนทุกๆเช้าเนี่ยการขับถ่ายก็น่าจะเป็นปกติครับเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าต้องถ่ายทุกๆวันใช่ไหมครัโดยส่วนใหญ่ปกติเราก็สมวันสองวันแล้วแต่บางคนโดยโดยโดยเฉพาะคนเมืองอาจจะไม่มีเวลาครับคือจริงมันก็ปวดอันนี้ผมพูดตรงๆแต่ว่ามันไม่ทันก็ ก็เอาไว้กอดอนไเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันมันเป็นการอย่างอย่างเช่นเราก้มลงไปอะไรเหมือนกับว่าเราได้ได้ขยับขยี้ร่างกายโดยเฉพาะตรงช่องท้องเนี่ยครับมันก็ทำให้การบีบตัวของลำไส้อะไรเงี้ยครับดีขึ้นระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายดีขึ้นส่วนเรื่องฮอร์โมนหลักๆถ้าเกิดเราทำจนชินนะครับอันนี้ผมก็ห่างหายวิชาเรียนที่แบบลึกๆมาเจดปปีแล้วะฮะตั้งแต่ปีหนึ่งปี2ก็ ก็แต่คร่าวๆก็คือว่ามันจะมีถ้าเกิดเราทําจนชินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติหรือว่าการออกกําลังกายถ้าทําจนชินจะรู้สึกว่าถ้าไม่ทําแล้วมันขัดขัดเหมือนมันต้องทําเพราะว่ามันทําแล้วมันมีความสุขะฮะมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งหลั่งออกมานะครับที่ที่ที่ทำให้ร่างกายของเราเบาสบายที่ทําให้ร่างกายของเรามีความสุขอาจจะเคยได้ยินกันบ้างเอ่อเอนโดฟินนะครับก็หลั่งออกมาเพื่อ เพื่อเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยมันผ่อนคลายเบาสบายเป็นเอ่อเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขถ้าเกิดเราทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจนติดแล้วบางคนเล่นกีฬาสมมุติเล่นไปเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยครับแล้วหยุดเล่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องเล่นต่อเพราะว่ามันมันเหมือนกับมันติดนะฮะคล้ายลักษณะการติดแต่ว่าจริงจริงมันมันมันไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะมันมันเป็นการที่ร่างกายมันผ่อนคลายนะครับแล้วก็เอ่อ ฮอร์โมนอย่าง อ, างอื่นในช่วงเช้าเนี่ยจริงการออกกาลังกายตอนเช้าดีมากๆเพราะว่ามันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่หลั่งออกมากระตรุ้นเป็นฮอร์โมนที่กระตรุ้นเวลาที่เราเวลาที่เราจะต้องทํางานหรือเวลาที่เราจะเจอไทเจออะไรต่างๆที่ต้องวิ่งหนีหรืออะไรเงี้ยครับมันจะมีฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ร่างกายทํางานได้เยอะเนี่ยครับซึ่งการออกกําลังกายการที่เรามาทําตอนเช้าเนี่ยก็ทําให้ฮอร์โมนเหล่านี้หลั่งออกมาแล้วก็กระตุ้นให้ให้เราสดชื่นขึ้นพร้อมที่จะทํางานอันนี้คือพูดคร่าวๆภาษา จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับส่วนอย่างอื่นอือความสัมพันธ์ของ อ, ออกซิเจนกับร่างกายจริงๆก็มีมีเยอะมากครับหลักๆก็คือจริงๆออกซิเจนที่นำเข้าไปเนี่ยจะไปเปลี่ยนเป็นการผลิตพลังงานให้กับร่างกายแต่ว่าพลังงานนี้จริงๆมันจะเอาเข้าไปใช้ในเซลล์ทุกเซลล์เลยครับซึ่งเซล เซลเดี๋ยวจะยากไปนะฮะเอาคร่าวๆเลยกันเซลลนี้จริงๆมันต้องสองกล้องจุลทรรศถึงจะเห็นนะครับแต่มันก็มาเรียงร้อยเรียงตัวกันจนเป็นอวัยวะต่างๆในร่างกายทุกอวัยวะนี่ก็ต้องมีเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมครับซึ่ง เ, เลือดนี่แหละเป็นตัวนําเม็ดเลือดแดง เ, เป็นตัวนําออกซิเจนเข้าไปให้กับเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายทั้งสมองหัวใจตับไตไตพุิทุกอย่างนะครับแล้วถามว่ามันเอาออกซิเจนยังไงมันก็เอาออกซิเจนจากอากาศ ในอากาศซึ่งเข้าไปทางถุงลมปอดก็คือการที่เราหายใจเข้าไปใช่ไหมครับแล้วตรงถุงลมปอดนี่มันจะมีเนื้อเยื่อบางมากๆที่ที่ที่สามารถให้ออกซิเจนแลกเปลี่ยนได้นะครับกับกับตัวเลือดนะครับแล้วก็พอแลกเปลี่ยนเรียบร้อยปุ๊บสีก็จะดูแดงขึ้นมันจะมีเส้นเลือดแดงเส้นเลือ ด, ดําเส้นเลดแดงจากนั้นเนี่ยมันก็จะไหลเข้าสู่หัวใจเพื่อปั๊มหัวใจก็มีหลายห้องอันนี้ก็ละเอียดไปไม่เป็นไรฮะไหลเข้าหัวใจแล้วก็ปั๊ม แรงนิดนึ่งสำหรับเลือดแดงเพื่อส่งไปท่เลี้ยงทั่วร่างกายหลังจากนั้นนี่ออกซิเจนก็จะเข้าไปในเซลล์ในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายแล้วก็มีกระบวนการอีกมากมายหลายอย่างครับต้องท่อ ง, ต, องต้องเรียนต้องสอบอะไรกันมากมายเพื่อเพื่อผลิตพลังงานให้อย่างเช่น ง, ง่ายๆเช่นกล้ามเนื้อทำไมถึงประสาทสั่งมาว่าทําทํางานได้แล้วทําไมมันถึงอยู่ได้อะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าก็ทําให้ เพื่อว่าเป็นพลังงานสําหรับเซลล์เพื่อให้เซลล์มีชีวิตอยู่เอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันครับแล้วก็พอเลือดที่ใช้ออกซิเจนส่งให้เซลล์หมดแล้วออกซิเจนเหลือน้อยมากแล้วมันก็จะมีสีคล้ำลงฮ ะ, ะก็ส่งกลับไปที่หัวใจใหม่แล้วก็ปั๊มเข้าปอดหัวใจมีหลายห้องนะครับมีทั้งเลือดแดงเลือดดาผ่านปั๊มเข้าปอดเพื่อไปฟอกฟอกเสร็จก็ส่งกลับเข้าหัวใจใหม่แล้วก็ปั๊มไปทั่วร่างกายประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นจีนใกล้สาคัญมากเพราะฉะนั้นจีนเป็นพลังงาน ระดับเซลล์แล้วก็รวมรวมกันเรียบร้อยแล้วจริงก็คือเป็นพลังงานของร่างกายเราทั้งหมดครับโหละเอียดเลยเนาะนะี่เรามั่นใจมากขึ้นนะในการทำท่วงท่าประโยชน์เยอะมากเลยเนะี่อมาเองก็เหมือนว่าได้ชีวิตใหม่เพราะมาเป็นคนโรคเยอะนะแต่าอาศัยเรื่องเนีเรื่องการออกกาลังกายเพราะฉะนั้นในะช่วงเช้าที่ประยุกต์ไปเรื่องทั้งโยคะเรืองอ่าไทาเก็ตทั้ท่วงท่านเนี่ยผสมประสานกันปรากฏเออ มีพลังเยอะขึ้นเพราะว่าในถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วมาทํางานได้ยากหลังจากมาทําเรื่องนี้แล้วเนี่ยทํางานได้365วันโดยที่ไม่พักเหนื่อยเลยนะแล้วก็ไม่ป่วยนะทําได้เยอะแล้วก็ระบบสมองระบบประสาทการสรั่งงานอะไรได้ดีกว่าปกติไม่เบลอนะแต่ขี้ลืมหน่อย <laughs> ยังขี้ลืมอยู่ที่ก่อนที่จะโยนประเด็นให้ถามนะค้างประเด็นของจันพงไว้อยู่ การนำสติไปบริหารจัดการในงานรอบด้านทา้งด้านบริหารจัดการหนึ่งปัจจัยสี่บริหารจัดการเรื่องคนในในสำนักเมื่อถึงไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยอาจารย์มีวิธีทํำเลยครับครับในเรื่องของการทํากับงานแล้วก็บริหารนะครับเอาเริ่องทำกับงานก่อนเริ่มแรกเนี่ย ตมาก็ทำไม่เป็นหรอกทำแล้วมันก็อึดอัดนะเริ่มแรกนี่ยก็ฝึกมาก็หลวงพ่อนั่นแหละนะเหมือนอาจารย์ <c oughs> พูดเมื่อกี้นี่แหละนะไม่เคยเราว่าถ้าเราทำงานหนักมาแล้วก็มาเจอหนัก <c oughs> อ่าตมาเนี่ยหนักมากนะแต่แต่ชุดมาชุดจันทร์ทันที่ไปอยู่ด้วยกันนะที่หนองพวกงร้อนเรามากจะ แต่ละคนเนี้ถ้าทนอยู่ได้ก็ถือว่ากิ่งนะนอกจากนั้นไปหมดแล้วนะเหลืออยู่สองเหลืออยู่สองที่ทนได้นะก็โดนมาหนักๆนะเริ่มแรกเนี่ยอาตมาเข้ามาเนี่ยก็คิดว่าจะมาฝึกเฉยๆมาฝึกสติมาฝึกสติมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมันทุกมากให้ออกจากทุกข์นะไม่คิดว่าจะมา มันต้องมาทํางานอีกนะบวชเข้ามาแล้วเราหนีงานมาแล้วเนี่ยเราเบื่อแล้วงานนะไม่อยากจะทํานะวคือยิ่งทําก็ยิ่งทุกข์อะ่ะพอเราเข้ามาแล้วเราจะมามาเจองานอีกนะเก็บอารมณ์นะเก็บอารมณ์สิบห้าวันออกมาก็ทํางานสิบห้าวันนะทํางานนั่นไม่ใช่งานเบานะงานทุกอย่างเลยตักท่วมก็ตักนะทั้งตักท่วมทั้งตาละพัดที่จะจะทำตื่นขึ้นมาก็ต้องทำนะํำละงาน นะตอนแรกทําให้เปลี่ยนนะพอทําทงานหนัก ๆ, ๆเก็บอารมณ์ออกมาเนี่ย<ๆ>ก็อยากขอเข้าเก็บอารมณ์นะเพราะว่ามันไม่ได้ปฏิบัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามาทํางานเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราปฏิบัติทําไปด้วยแต่มันช่วงนั้นมันมันไม่เป็นแบบนั้นมันยังทําไม่เป็นมันก็อึดอัดคัดเคืองมันติดอารมณ์หุดยิดติดอารมณ์ทําอะไรไปก็โอ้ยอยู่ได้ไหมเนาะอยู่ได้ไหมเน้อนะ ทนได้ไม่นโน่ทนได้ไม่นโนะก็อยู่อย่างนั้นแหละนะแต่ละวันแต่ละวันนะมีแต่ทุกนะทาแต่ก็ทําไปทําทําไปอย่างงี้แหละนะจนกว่าจะได้เข้าเก็บอารมณ์นะมากระทบเพื่อนทํางานด้วยกันก็ติดอารมณ์ให้เขาอีกนะทุกอย่างนะทําไปทําไมเหล่านีมันจะทํำยังไงนะถึงจะมันจะออกจากทุกได้พอได้เข้าเก็บอารมณ์อีกชุดหนึ่ง นะเข้าเก็บอารมณ์ก็รู้สึกว่าเออการปฏิบัติธรรมนี่ก็เลยไปทํากับลองทํากับงานที่เราตั้งแต่เราตื่นขึ้นมานะ่ยเดินไปรับอาหารนะเดินไปรับอาหารตื่นขึ้นมาเก็บที่รับพับที่นอนนะเราลองลองทําดูนะท่านก็บอกให้เราทำแบบนั้นนะี่ยแต่เราทําไม่เป็นนะ่ะเราจะทำแต่ในรูปแบบเนะี่ยมานั่งยกมือตังอ้งจังหวะเดินจูกลมแค่นั้นนะเราก็อยากจะทำแต่ตรงนี้แหละเพราะว่าทําตรงนี้เรา มายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมถือว่าเป็นการปฏิบัตินะเราก็คิดว่าอันนี้เป็นการปฏิบัติแต่ถ้าเราไปทําอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่นะไปทํางานทําการทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่การปฏิบัติมันก็แย้งอยู่ในใจนะแย้งอยู่ในใจแต่ว่ามาวันนึงมันก็มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะจะจะหนีก็หนีไม่ได้นะก็เลยอ้าลองดูนะก็เลยมานี่แหละตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานะตื่นนอนแลท่านให้เก็บอารมเนี่ยก็เก็บอารม นะทำกับนี่แหละการการอยู่ของเราเนี่ยที่อยู่ในในกุฏินะตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาทํานู่นทนํานี่ให้มารู้กับการเคลื่อนไหวของเราในการจับการเดินการนั่งเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันมารับอาหารตักปาตตักเที่ยวข้าอวอะไรต่ออะไรเก็มาอยู่ตรงนี้พอทาไปทํามาเนี่ยมันก็เริ่มมันก็เริ่มทําได้เนะีเริ่มทําได้ แต่ที่จะทําได้จริงๆเนี่ยมันมันหนักยิ่งกว่านะั้นนะเอาตะมาไปเก็บปารม์ช่วงนั้นอ่ะไปเก็บอารมที่ก่อนที่จะมาที่ที่ทําแสงเทียนอนะ่ะเก็บปารมอยู่สิบห้าวันนะอยู่อยู่สี่สิบห้าวันเพราะพาไปเก็บที่คอนสารนะวัดจากริศเนี่ยก็ไปอยู่กันนะจันมงคลก็ไปนะจันพันไปเก็บอารมอยู่ที่นั่นอนะ่ะเอาตะมาไปรู้สึกรู้สึกตึกอยู่ตรงนั้นหรืว่าความรู้สึกตัวโทษพร้อมเป็นยังไงนะไปรู้สึกตัวตรงนั้นเพราะว่า มันไม่เชื่อนะเรื่องความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยเอ้าเรามาอยู่ตั้งสี่สิกว่าวันก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงก็เฉียงอยู่ในใจนะว่าหลวงพ่อเทียนพูดอย่างไงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันจะเป็นไปได้ยกมือสิบสีครั้งมันยังไม่รู้สิบสี่ครั้งเลยนะเดินไปไหนมาไหนมันยังไม่รู้เลยจะนั่งจะทําอะไรยังไม่รู้เลยขนาดยกมือเดินอยู่กมยังไม่รู้หมดเลยมันก็เถียงอยู่ในใจมันเฉียงกันมีสองตัวเอ้าก็ลองดูดิ ก็ลองดูมันมีเวลาก็ลองทำดูไหนะอีกตัวนั้นก็บอกอ่าเอาลองทำก็ทำก็เริ่มตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มตั้งแต่นั้นมาความรู้สึกตัวเนะี่ยประมาณอ่าสิบห้าวันเนะี่ยที่ตั้งจะทาจริงๆนะทำไปทำมาทำมาทาไปก็ไปเดินจงกลมเดินจงกลมอันนั้นเดินขึ้นไปเดินจงกลมอีกคนเดียวข้างบนโอ้โหนะมันเกิดความรู้สึกขึ้นมามันรู้สึกสมามันรู้สึกชัดมากเลยนะรู้สึกตัวชัด ไม่ว่าจะทาอะไรมันรู้สึกไปหมดเลยรู้สึกมันก็มีการที่เราพอได้รู้สึกตัวตัวนั้นมันคิดถึงหลงข้อมหาคิดถึงหลวงพ่อเทียนคิดถึงพระพุทธเจ้าเลยก็โดดเลยกระโดดมาโอ้รู้แล้วความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้นะความรู้สึกตัวขทั่วพร้มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมานต่อมาก็เริ่มเลยเริ่มทุกอย่างเลยทําอะไรก็อะไรเนี่ยมันรู้สึกตัวหมดรับอาสานะอาจารย์พระน้ำลงเขาขึ้นเขาเนี่ย สอลูกนะขึ้นเขาลงเขารับอาหารนะยาติธรรมแล้วก็พระเจ้าประสงค์นะท่านปฏิบัติอยู่นะไม่ให้ลงลงกันสองคนขึ้นนะเวลาขึ้นน่ะเขาชันนี้กว่านี้นะหน้ากือบถึงดินนะเดินนะแล้วก็ประไายเข้าลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยทุกวันเลยนะมันมันรู้หมดเลยเดินไปถึงที่รับอาหารกี่ก้าวกลับมาถึงมันรู้หมดเลยเออขึ้นขึ้นลงลงอะไรเนี่ยมันมันรู้หมดเลยนะความรู้สึกตัวมันชัดมันอยู่ในกับปัจจุบันได้ พร อ, อยู่กับปัจจุบันได้มันไม่ไปอยู่กับการเหนื่อยไม่อยู่กับการสูงไม่ไปอยู่กับการต่ํามไม่ไปอยู่ไม่ไปอยู่กับอะไรทั้งหมดเลยนะมันจะสูงแค่ไหนก็ก็ไม่รู้สึกกับมันเพราะว่ามันรู้สึกตัวอยู่อยู่กับความรู้สึกตัวได้ก็เลยมันมีปีตินะเพนาะฉะนั้นมีปีติ <c oughs> เอาเลย ว, ว่ากูสงสัยกูบรรลุเลย <c oughs> คิดในใจ <c oughs> เหมือนเหมือนยอแล้วคล้ายๆกัน <c oughs> โอ้โหาทาอะไรมออืา พูดอะไรในหะลวงพ่อเทศมาเนี่ยโอ้โหมันจะรู้ดีกว่าหลวงพ่ออีกอะตายกูเอาละงานนี้นะกะว่ากลับไปนี่แหละจําให้อยู่แล้วนะอ่ากลับไปนี่จะไปเผยแพร่ล้ว <c oughs> ช่วงนั้นนะกลับมาจากสี่สิบห้าวันนะที่กลับมากลับมาโดนหนักเลยหลวงพ่อกลับมาทาา่ามตะลาที่หนองกอ๊กหลอดบันเทมเราก็กําลังทําไฟอยู่มาทาไฟหลวงพ่อไปคัดเอาขึ้นเลยปุ๊บทอดเรา ปุ๊บเป็นกันถึงตายเลยเนี่ยเออแต่เราก็มารู้ใจเราเฮ้ยมันทําไมมันเฉยได้ไรี้าวอ้าวทำต่อทําต่อขนาดไฟช็อตปุ๊บเกืบเกือบร่วงเลยนะอาตมาขึ้นไปร้อยกว่าจุด่ในสาราอาตมาต่อเองหมด อ, อพอทําไปทําไปพักหนึ่งเอาอีกแล้วปุ๊บอีกแล้วนะอาตมาไปลงให้เขาเอาขึ้นอีกแล้ว อ, อ้าคราวนี้ อ, อ้าจะทํำยังไงก็ทําแล้วก็ทํา ไม่มีไฟเราก็ทําได้คราวนี้เราก็ต่อที่มีไฟแล้วก็ทําได้เพราะว่าเรามีสติอะจับทีละสายป๊อปป๊อป๊อปทำได้เอา้าหวงพ่อจะขึ้นขนไปเราไม่สนใจนะก็มีสติสักอย่างรับรองไม่ตายนะเออทาทั้งไปเนี่ยอาตมานก็รู้เลยโอ้โหสติมันไม่ธรรมาดานะคิดแล้วพอนั่นไปนั่นมาเนี่ยอาตมาเริ่มทํากับงานเป็นตั้งแต่ตอนนั้นนะทํามันจะมี ความรู้สึกตัวจะทำอะไรเนี่ยทำอะไรแต่เราเราไม่อยู่กับงานนะบางคนเนี่ยทำอยู่กับงานเพื่อจะทำให้เสร็จทำให้แล้วทำให้ดีเนะี่ยไปอยู่กับงานทำงานไม่ได้อยู่กับความรู้สึกตัวไม่ไม่ได้อยู่กับมือที่กำลังจับมือกำลังกระทบไปอยู่กับงานว่าเอ๊ะแต่มันก็เพลินอยู่กับงานก็กนะ็ทำได้นะทำได้เพลินได้แต่ว่ามันไม่มีเ้าเรียกว่ามันไปอยู่กับงานมันไม่ได้อยู่กับสติ ไอ้เราก็เข้าใจโอ้ที่เราทํางานเราไปอยู่กับงานเราไม่ได้มาอยู่กับกายนี่ที่กําลังเคลื่อนไหวกําลังจับกําลังกําลังจับกําลังทุกอย่างอะตมาเข้าใจในเรื่องนี้ในเรื่องของการทํางานโอ้ตอนนี้มันบอกเลยเอา้าทําได้หมดเลยจะให้ทําอะไรก็ทําได้หมดตั้งแต่น้าอาตมาทําอะไรทำได้หมดเลยไม่มีข้อขัดแย้งเลยนะแม่กระทามาอยู่ที่นี่ มาอยู่ที่นี่เนี่ยอ่หลวงพ่อบอกเราเจียมที่ทําห้องน้ําไม่อย่างดีตรงตรงตรงนั้นน่ะแต่ก่อนหลวงพ่ อ, อทําตรงนี้นะทําทําห้องน้ําตรงนี้หลวงพ่อบอกตรงนี้มันเสมออยู่แล้วเอาไว้ทํากุดหลวงพ่อว่าก็บอกชี้ไปที่ต่อใหญ่ๆ ใ, ให้เราไว้ทําบนต่อูุ้้ยตายกูโดนหนักเลยมาที่นี่นี่บนต่อไอเราก็อุย้ยหลวงพ่อมันทําไม่ได้หรอกหลวงพ่อบอก ก็ลองทำดูก่อนสิเอเราจะทำยไงมันเรียกไม่ได้นะเอา้าก็ลองดูนะพอรุ่งเช้ามาล้วก็ไปลองไปดูไปดูตอดูอะไรก็ไปแซะออกลลกีร่าลลากกีร่าากแล้วก็เอาตรงนั้นมาถมมาถมเอ๊ะมันกระทาจะทำได้นะดูแล้วนะพอทำไปมาสองสามวันเออเริ่มเป็นเป็นที่เสมอเริ่มเป็นที่ทำได้แนละ้วทำไปมาตอออกเลยนะทำได้นะตรงห้องน้ำตรงนั้นตน่อมันเราต้องติดนะก็จะมา ท่ได้ทุกอย่างเลยคนนี้ท่านถึงได้เอามาทิ้งไว้ที่นี่เนี่ยเอามาทิ้งไว้ที่นี่เราไปเลยอาตมาเข้ามาเลยเนี่ยบอกพาจามพันเนี่ยพาจามพันตาแวนหลายรูปนะอาตมาพาทํางานเนะี่ยจามพันอยู่ไม่ได้หนีเลยหนักอยู่ไม่ได้หลังเสียอาตมาไป น, น, นั่งทางานเนี่ยทํางานมันทํามัน ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนะแต่มันมันไม่ได้อยู่กับงานแต่ว่ามันมันมีมันทำงานอยู่กับปัจจุบันรู้สึกว่ามันเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็ข่่มเดี๋ยวก็สว่างนะ <c oughs> ก็เลยว่าการทำกับงานเนี่ยเราต้องอาตมามาอยู่กับพระเนี่ยอาตมาก็เห็นว่าเราเคยฝึกมาก่อนนยพระที่มาอยู่กับเราเนี่ยโอโหยไม่ธรรมดามีแต่เสือสิงก็บทิ้งแลี่ยดทิงเนเลย มีแต่พระหนุ่มเขาบอกมาอยู่กันได้ยังไงพระเป็นสิบเนี่ยขนาดหลวงตาอยู่ด้วยกันสององค์เนี่ยล้อไอ้กันเลยในวัดน่ะไม่มาอยู่กันได้ยังไงแล้วก็อยู่แม่ทีก็เยอะโยมเข้ามาปฏิบัติก็ก็หลายคนอยู่เราจะเราอยู่แบบไหนเราก็ต้องอยู่แบบเราเราเคยฝึกมานะเราอยู่กับหลวงพ่อมาแล้วรู้วิธีการเราก็จับแยกเราจับแยกว่าเอา้า วันนี้เรามาปฏิบัติพร้อมกันนะรวมกันให้รวมกันก่อนพอมารวมกันรวมกันเราปฏิบัติเราก็สังเกตสังเกตว่าใครได้อารมณ์ใครไม่ได้อารมณ์ใครยังง่วงใครยังเราก็สังเกตล้วก็คัดออกอิรคนีิรคนอิรคนให้เขาเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ไม่ใช่ว่าให้เก็บง่ายๆนะนะเก็บอารมณ์เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเ่วงสองสามวันแล้วเราก็ไปดูว่าเก็บอารมณ์แล้วมันเป็นยังไงเราก็พยายามไปสอบรวมตัว แต่ถ้าเก็บอารมนเนี่ยเราก็สังเกตว่าเขาเป็นยังไงก็ดูที่กุดเขาไปดูที่กุดตีไม่ต้องไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปพูดอะไรมาไปดูที่กุดตีความเรียบร้อยข้างกุดข้างอะไรต่ออะไรนะ่ะพับเตือ้อผ้าอะไรเรียบร้อยหรือเปล่าที่อยู่อาศัยสะอาดไหมเราก็ไปดูตรงนั้นพอไปดูตรงนั้นไปดูทางจงกรมด้วยว่าแต่ก่อนเนี่ยทางจงกรมมันไม่เป็นขึ้นแบบนี้มันเป็นดินไปดูทางจงกรมถ้าถ้าถ้าทางจงกรมตรงนั้น่ะถ้ามี อะไรอ่ะเขาเรียกว่าไอ้ตัวอะไรมาใช่คฮเต้นหรือมันออกมาก่อนออกมาก่อนนะเรารู้เลยว่าไม่ได้อารมณ์แล้วก็เรียกออกมาทํางานีการทํางานเนี่ยพาพระทางานอัตมาจะรู้เลยว่าปฏิบัติกันมาจิตห้าวันอ่ะแล้วก็พาพระทางานอัตมาจะเอางานไปนที่ศึกษาเพราะว่ามันจะเห็นอารมณ์ได้ชัดเห็นอารมณ์ได้ชัดอนะ่ะพอปฏิบัติมาเนะี่ยอู้พอสอบได้อารมณ์ดีนะได้อารมณ์คนนั้นก็ได้อารมณ์ดีพอมาทํางานเนี่ยพักเดียวแหละหงายตึงเลยนะ พอเหนื่อยขึ้นมาพอเริ่มทำงานหนักเริ่มมีอาการแล้วกึง้องกึ้งห้อเอาแล้วเอาแล้วนะเออเอาแล้วเอาแล้วเรารู้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเอาก็บอกอ้าวบางทีว่าเอาไปไปไปนู่นก่อนแล้วก็ใช้ให้ไปทําที่นี่ให้แยกไปให้แยกไปไปเดินจุกลงก่อนเปอท่นนู้นยังไม่ต้องทํางานเรารู้เลยว่าเป็นยังไงเราจะดูออกว่าเขาทํางานแล้วเขามีอาการเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าเอาถ้าทําแล้วใจมันยังไม่ดีอยู่ไปเดินจุกงก่อนไม่ต้องทํากับเพื่อน เราก็แยกออกไปเนี่ยตรงนี้นาที่ที่อาตมาอยู่กับพระแล้วก็อยู่ที่นี่ได้เราก็ต้องดูเราต้องรู้เขาถ้าเราไม่รู้เขาเนี่ยเราจะอยู่กับเขาไม่ได้บางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยติดยาอ่ติดยาบางทีแบบเป็นยาสูบยาอะไรไงที่เขาติดเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าตอนไหนเราจะไปดูเขาตอนไหนรู้ว่าเขาไปแอบตรงไหนไปหลบตรงไหนไปซ่อนตรงไหนไปทําอะไรตรงไหนเนี่ยมันจะรู้เลย กินข้าวอิ่มนะพอฉัเข้าอิ่มเขาจะไป ม, มั่วสุมเขาจะตรงไหนช่วงไหนเขาจะนอนช่วงช่วงไหนเขาจะทำอะไรกันเนี่ยเราก็จะย่องย่องย่องไปเราก็อ่าก็ก็ประสิทีประสาทจะงพ่อมาหน่อยนึงไม่ค่อยอยากจะนอนกลางคืนนะจะชอบเป็นยามนะเป็นยามนะเป็นยามก็ย่องย่องย่องไปเราลุกตอนไหนที่เขาทาอะไรกั น, น่ะตอนกลางคืนเนี่ยเราบอกว่าอา้าวกลับไปนะบังวันเราจะลองเราจะลองพัดเนีว่า วันนี้เลิกแต่หัวค่ํานะเข้าไปก็อ่าไปปฏิบัติต่อให้ถึงสามทุ่มขึ้นนอนอบางทีวันวันไหนที่เราเลิกเลิกแต่หัวค่ำเนี่ยตายแล้วถ้ามาใหม่ๆนะไม่รู้ก็เป็นนั่งคุมกันอะไรต่อคุยกันงี้กพอเราไปปุ๊บคนเรไปคนเราที่วันทางเราก็ไปบ่อยๆพอไปต่อปุ๊บต่อไปเขาก็คอยเราแวงคอยเราวังแล้เหมือนเราอ่ะตีสามปุ๊บนี่ถ้าไม่ตื่นปุ๊บนี่ถ้าเสียงไปมาปุ๊บก็เดือดเลยนะ นะะแต่อยู่ว่บอาจารย์ล้วก็เอาแบบนั้นการปฏิบัติเนี่ยที่ที่อยู่กับพระอยู่กับนักปฏิบัติได้เนเพราะเราก็ต้องเข้าใจเขานะแล้วก็เรื่องการทำงานเนี่ยเราจะต้องให้รู้ว่ า, อาตอนไหนเราสมควรที่จะพาเขาทำตอนไหนที่เราจะให้เขาเก็บอารมณ์ตอนไหนที่เราจะให้เข า, าปฏิบัติรวมกันนโดยมากนี่ยสำหรับพระเนี่ยที่ที่อยู่อยู่ด้วยกันเนี่ยอาตมา พอมีโยมเข้ามาปฏิบัติเนะอาตมาก็จะให้มาปฏิบัติเป็นเพื่อนโยมแล้วก็แบ่งหน้าที่เังเขาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเขาก็มีกําลังใจนะว่าเขาเป็นได้ได้ได้ได้เป็นอาจารย์ได้ไปเป็นพระวิญญาณต้องเดินให้เขาดูนี่ใช่ไหมต้องเดินให้เขาดูต้องทําโอ้โหขึงขังขึงขังทั้งทั้งที่ถ้าให้ทําคนเดียวเราไม่เอาเลยนะพอเรายกหน่อยเอาเลยนะแต่เราก็ต้องอยู่ใกล้ๆเขาอยู่ไม่ให้เขาอะไรมากมาย นั่นแหลเราก็ต้องรู้วิธีรู้วิธีว่าเราจะอยู่กับเขาอย่างไงแล้วก็ทํำยังไงเนี่ยมันก็รู้นะเพราะว่าอาตมานี่ก็ถูกฝึกมาแบบนี้แล้วก็หลายๆอย่างที่ที่เราเราทํามาเนี่ยมันได้ผลเราก็เอามาใช้นะในสิ่งที่ที่อยู่กับพระแล้วก็อยู่กับโยมนะนะแล้วก็เรื่องทํากับงานทํากับงานเนี่ยอาตมาทำมาตลอดเลยอาตมาตลอดตั้งแต่ออกจากหลวงพ่อมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ อาตมาก็พาแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยอตาตมาจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ฝึกให้เดินจงกลมทั้งจังหวัดสักก่อนแล้วเราก็มีงานเป็นบางงานที่เราจะเอาไปสอบอารมณ์ก็คือเราไปดูอารมณ์ตอนที่เขาไปทํางานเราก็จะรู้ว่าคนไหนเป็นยังไงยังไงยังไงเราก็จะคนไหนที่ยังอารมณ์ยังแรงนะยังยังยังแรงแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่เราก็พยายามให้เขาออกไปอยู่คนเดียวไม่ให้มาคบที่จมูกนะนั่ะ แต่มาก็อยู่แบบนั้นนะครับหลวก็ผมก็มีแค่นี้โอทนาสาธุโอ้โห <laughs> เวลาไปไวเรื่อยคืนจะทําไงแต่ละสาระนี่ชัดเจนแล้วก็เรียกว่าเป็นเป็นรูปธรรมเป็นภาพนะเอามานึกถึงภาพท่านท่านพงพูดถึงเรื่องเอามาไม่รู้ในตอนนั้นคือแม่ครัวเนี่ยทำครัวอยู่ข้างล่างเราขึ้นภูเขาไปสองลูกภูเขาแต่ลูกไม่ใช่ชั้นตัวนี้นะคือขึ้นไต่ขึ้นข้างเ ข, า, ง ข, า, งขาทำบันไดขึ้นเอวอะ เอ๊ะเราก็อจาจจ์ใจแล้วผ่านเราพระขึ้นไปอยู่ก็ได้อย่างไรตอนนั้นเดือนเศษนะเนาะเดือนินเศษพระอาจารย์พงษ์ยันผ่านมาขุนอาหารข้างล่างเวลาไม่ครัวของไม่ส่งเอ๊ะทำกับข้างล่างทํข้ า, ขาบนนะข้างล่างข้างล่างเหรอโอ้โหนึกถึงถึงปัจจุบันมาทาก็ได้อย่างไรในะสมัยนั้นเพราะว่าสมัยที่เราศึกษาเรื่องนี้เข้าใจกันแล้วเนี่ยมันมีความแกลาา้าหัน่ะ บางบางปีเนะี่ยพาพ้าทุกดวงถึง6เดือนต่อเลยนะจากทานี้ไปทำนั้นจากภูเขานั้นไปภูเขานั้นนึกย้อนหลังว่าเออเราทําก็ได้อย่างไรนะแต่เราก็ได้คนที่เข้มแข็งมาช่วยงานแต่คนไหนที่มาใช้งานคือการใช้งานเป็นการพิสูจน์ความจริงใจความศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ถ้าคนไหนไม่จริงใจไม่ศรัทธาต่อครูบาอาก็จะดูต่อไปมาไม่ว่าแต่ส่วนใหญ่ไปไม่ร้อยสักคนนะไปแล้วก็ไปหักลายไปแล้วก็ไปหักลาย แต่คนไหนที่มีความศรัทธาต่อครูบาอาจารย์แล้วนี่ไปแล้วก็ไปเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะีอันนี้ก็สังเกตเราไม่ได้ว่าเขาแต่ต้องการพิสูน์ศรัทธาว่าถ้าศรัทธาเพียงพอแล้วปัญญามันเกิดเนี่ยถ้าหาศรัทธาไม่พอปัญญามันเกิดไม่ได้อันนี้หรือปัญญาเกิดจะเป็นปัญญาที่เชโกปัญญาเป็นปัญญาโลโลกิยะไม่ใช่ปัญญาโลคุตละคนมีปัญญาโลคุตละเนี่คล้ายๆคนโง่แต่ฉลาดมาก แต่คนมีปัญญาแบบโลกียันเนี่ยคลา้ายๆคนฉลาดแต่ไม่อยากจะแซวว่าโง่มากนะก็ฉลาดน้อยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องเฝ้าดูเท่านั้นนะไปตัดสินเขาไม่ได้ทุกคนมีวิบากกรรมมีนิสัยมีบรรพบุรุษมีชาติที่แล้วมาเนี่ยไม่เหมือนกันแต่มันจะออกมาปัจจุบันเราไปโทษใครไม่ได้เลยแต่เรามนที่ทาไปทาํามจะสันไป ตอนนี้เหลือเวลาค่อนข้างจำกัดนะปัญหาที่จะถามอาจจะไม่เยอะอาจารย์วรุณีจะมาห้องใจอย่างถึงว่าการที่ได้สอนในมหาลัยเนี่ยต้องได้พบปะคนที่เขาศึกษาเรื่องธรรมะมาก่อน <c oughs> แต่ทําไมครูบาอาจารย์ส่วนให ญ, ญ่จึงเกิดทิฏฐิมานะแต่ว่าธรรมะที่ศึกษาได้อ่านหนังสือได้อนหนังสือดีๆได้พบครูบาอาจารย์ดีๆ แต่มาน้ที่ถี่ทำไมคือไม่ลดเพราะสาเหตุอะไรนันก่อนส่วนใหญ่คีดว่าอัตราเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นจุดที่มาจากไอ้ทราบมากเลยก่อนตามความคิดของของตัวเองนะคะอาจจะเป็นเพราะเหตุว่าครูบาอาจารย์เนี่ยพอได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วเนี่ยตามทําทุกเรื่องของโลกโลกเนี่ยทำให้เกิดมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า self confidence คือคล้ายๆว่าตัวเองถูก ตัวเองคือเป็นครูนะคะพอตัวเองเรียนมาอย่างนี้พอไปสอนเขาเนี่ยก็ต้องว่ากันตามตำราแล้วก็คิดว่าเนี่ยถ้าสมมมีนักศึกษาโต้แยง้งหรือว่าอะไรเนี่ยบางครั้งก็รับไม่ได้คล้ายๆกับเหมือนกับอืมทำไมทาไ ม, ม่าโต้แยง้งฉันฉันเรียนมาก่อนเกิดก่อนเพราะฉะ น, นั้นฉันต้องถูกก่อนเพราะฉะ น, นั้นในเรื่องของของอันนี้อาจจะเป็นตัวอุปสรรคอย่างหนึ่ง ในการที่จะปิดกั้นความรู้ทางด้านของพุทธศาสนาเพราะถ้าสมมติเขาบอกเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ถ้าเกิเราจะเรียนรู้ศาสนาเนี่ยเราต้องทําตัวเป็นเหมือนกับถ้วยชาที่พร่องคือถ้าเกิดเป็นถ้วยชาที่เต็มคือเต็มไปได้วยความรู้แล้วไม่ว่าครูบาอาจารย์ท่านไหนสอนคงจะรับไม่ได้อันนี้คือตามความคิดของของดิฉันนะคะแต่ถ้าเราเป็นทําเป็นตัวเป็นชาพร่องถ้วยคือเราเปิด ใจของเราเพื่อเจอรับเพื่อจะศึกษานะคะที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยนีฉันคิดว่ามีโอกาสที่จะเข้าใจมากขึ้นนะคะในตัวอาจารย์ของเข้ามาเนี่ยซึ่งอย่างที่กล่าวแล้วว่าคําถามของนักศึกษาแต่ละคําถามเนี่ยถ้าหากว่ามันกระทบอาตาัตรามันเหมือนกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมันกลายมาเป็นตัวนั้นในกรณีของอาจารย์เองเนี่ยมาศึกษาเรื่องนี้แน่นอนว่าอัตราที่เป็นมาก็ไม่ไม่น้อยเหมือนกันนะเนาะ แต่สามารถลดลงได้อย่างรวดเดียวเนี่ยด้วยด้วยเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไรพ่อเพราะว่าออพออาจารย์พูดเวลาอาจารย์พระอาจารย์สอนเนี่ยมีความเกิดความรู้สึกประทับใจมีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเข้าใจมาตลอดเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วก็ความรู้สึกที่ว่าขัดแย้งเนี่ยไม่มีค่ะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีไ ม, ไม่ไม่เกิดโอกาสนั้นเลยแล้ว อย่างวันนี้ที่มีความรู้สึกมีมีสติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอยต่อไปนี้เราจะต้องเราจะต้องทำชีวิตของเราให้มีสติชีวิตเราควรจะดีขึ้นมันเกิดคล้ายๆเกิดปิติว่าว่าตั้งแต่นี้ไปเราจะต้องทำชีวิตที่มีสติเนี่ยให้เป็นตัวอย่างกับญาติพี่น้องให้เป็นตัวอย่างกับเพื่อนฝูงเผื่อเขาจะได้รับสิ่ง น, นี้จากเราเนี่ยไปได้บ้าง ตัวอัตตามาหน้ที่ทั้งหมดมันจะลงได้โดยที่ศรัทธาถูกต้องไหมนพนธถูกต้องค่ะนพนธที่ศรัทธาดังนั้นหลายคนน่ามาก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าศรัทธาไม่เกิดหมายความตรงนี้ก็ลดไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมนพนใช่ค่ะพนเพราะว่าที่มาสนใจเรื่ น, นี้เพราะาครูบาอาจารย์ในในในระดับนี้เนี่ยจะได้พบแต่สิ่งที่ดีดครูบาอาจารย์ดีๆหนังสือดีๆสื่อดีๆอะไรดีหลายอย่างแต่ว่า ตัวกฎวุ่นวายเป็นอุปสรรคไปหมดนะเพราะว่าสัทธาไม่เกิดเพราะฉะนั้นตัวปัญญาถ้าหากว่าเกินหน้าสัทธาก็เป็นอุปสรรคถ้าหากว่าสาัทธาเกินหน้าปัญญาก็เป็นอุปสรรคถ้าหากสัทธาและปัญญาไปใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะลดตัวนี้ได้โดยง่ายและโดยเร็วเช่นพลใช่ค่ะอันนี้ขอ้อเท็จจริงเนี่ยเอาละขอคําถามเช่พนพล ใครมีคำถามอะไรที่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะถามด้วยตัวเองทด้จมาถามแทนเขาเชิญมีใครบ้างที่จะถามในขณะนี้คนเป็นวาคําคำถามมีไหมยกมือนะใช้ระบบยกมื or. อจะถามใครก็ได้ทัทง้ทงทั้งทั้งห้าท่านเนี่ยมมมมไม่มีอ่ะ เพราะว่ากลัวจะต่อแล้วจะอดจะ่ปนอนง่ายๆหรือเปล่านะ <c oughs> อาอาขอเชิญหนุ่มไม่ไม่รู้ว่าท่านผู้ใดจะช่วยตอบนะครับก็คือว่าในาพุทธศาสนาของเรานะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในประวัติพุทธกาลเนี่ย มันมันพอจะมีบุรุษหรือว่าท่านใดที่แบบปัญญาน้อยน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราได้บรรลุทําทเห็นผลอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับก็ถามเผื่อเผื่อตัวเองด้วยแล้วก็เผื่อคนอื่นด้วยนะคือคือเป็นผู้มีปัญญาน้อยแต่ว่าสามารถบรรลุทําอะไรได้นะครับเออท่านพันน่าจะตอบได้นะจําได้ไหมใครมีไหมท่านขอขอเฉ่ง ือไม่ได้ ช, ชื่อไล้มันถูกเหรอปัจจุบันนี่น พ, พอมีครับโอเคเอาปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันดีกว่าอธิบายนะอธมาคิดว่าพอมีนะเพราะว่าถ้าเขาพพา้าพระพุทธเจ้าท่นบอกว่าถ้าบรรลุธรรมเนี่ยจะมีพอมีที่ว่าเข้าใจว่าพอมีเพราะว่าทำไมการที่เรามีสติถ้าเราตามความรู้สึ ก, กวัวจริงๆเอ๋เพราะว่าสติมันมันอยู่กับเราตลอดเวลาทุกขณะ ทุกขณะอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพราะว่าธรรมชาติมันมีอยู่เพราะว่าเราการเจริญสติจริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อเราจะเข้ามาสู่ดูธรรมชาติของกายและใจมันมีอยู่มันไม่หนีไปไหนมันมีอยู่กับเราแต่เราดูมันไม่เป็นเอาวันไม่เป็นเพราะว่าการที่เราจะเข้าถึงเนี่ยจุดนี้เนี่ยก็คือเราทำใจง่ายๆสบายๆให้ดูตามดูธรรมชาติ เพราะว่าธรรมะจร ين, ิงๆธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือชีวิตชีวิตคืองานงานคือธทำรมคือเรามันไม่มีไปไหนชีวิตก็คือของเราเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเราจะริญสติมาเนี่ยเพื่อจะมาดูกายใจของเราให้เท่าทันถ้า er ปาฏใดที่เราตามดูกายเราเวลาเนี <Leonard> ่ยจะเห็นจิตเห็นใจตัวเราแล้วเราจะรู้ตัวเราเห็นตัวเราเราเห็นตัวเราจะเข้าใเห็นใจธรรมชาติจะเข้าใจธรรมชาติ เพราะว่าธรรมชาติกายกับใจมันทํางานกันอย่างไรและมันอยู่กันอย่างไรและมันทุกอะไรเหตุมันจะเห็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากกายเราเนี่ยเพราะว่าถ้าการที่ว่าปัญญาน้อยเนี่ยไม่ต้องไปเอาอะไรมากให้รู้แต่ความรู้สึกตัวตัวเดียวกลับมาอยู่กับความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมันก็มาอยู่กับความรู้สึกเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นตัวเดียวคือตัวเป็นตัวกุญแจที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยถ้าตามความก็จะมาเข้าใจนะ คือความรู้สึกเนี่ยมันเกิดอยู่กับกายตามดูตามดูตามดูตามดูเมืมม่อตามดูอยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยมันจะเป็นปัจจุบันธรรมจิตกายอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นเอกภันจะรวมกันสอดสอดคล้องกันไปปุ๊บเนี่ยสอดคล้องกันเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันจะอยู่พร้อมกันเพราะเมื่อการทําไมว่าได้ไหมก็ได้เพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยตัวเราเนี่ยกับการทํางานกับการนั่ง ก, การาคุยการเดินกันนั่งเป็นตัวเดียวกันความรู้สึก ที่ตัวเดียวกันหมดมันไม่ได้แยกเลยคือตัวรู้สึกทํางานเนี่ยก็เป็นตัวรู้สึกตัวหนึ่งแต่ไปอยู่ที่เหตุปัจจัยก็คือไปกระทบสิ่งกระทบมันไม่เหมือนกันใช่ัหนเด็กมันไม่ได้แตกต่างกันเพราะาเรามีท่าตามดูกายเคลื่อนไหวสัมผัสรับรู้เนี่ยจิตของเราจะอยู่ในปัจจุบันทุกขณะทุกขณะทุกขณะทุกขณ ะ, ท, ขณะทุกขณะจิตเลยทําอะไรจะไม่มีรู้สึกจะไม่มีตามดูชัดๆตามดูไปเรื่อยๆย ม, มันจะบอกให้เราเห็นเองในความรู้สึก แล้วมันจะไม่ได้แยกชีวิตคืองานงานคือทำทำคือชีวิตถ้าเราทำไปเรื่อยๆปยุ๊บเนี่ยทำมันเรามันก็มีแค่เอาง่ายง่ายง่ยงอย่างเงี้ยตามดูแค่ตามดูความรู้สึกตัวเองเนี่ดูให้เท่าทันมันเท่าทันความรู้สึกอะไรกระทบก็รู้อะไรกระทบก็รู้อะไรกระทบก็รู้เนี่ยตรงเนี้เนี่ยอันมาคิดว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยถึงแน่นอนถึงอย่างน้อยน้อยเขาพ้านทุกข์จิตใจเป็นอิสระอิสระจากความโกรธความรู้ความหลง แน่นอนแล้วเป็นปกติแน่ๆถ้าเราตามดูความรู้สึกสดแค่นี้ยไม่ต้องไปทาอะไรมากแต่เราคิดมากไปปัญญาเรามากไปเราคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้ว่าดมาโนภาพแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยตัวเดียวเนี่ยมันจะทำให้เห็นเห็นประโยชน์ของกายและใจเข้าใจเมื่อเข้าใจกายเข้าใจใจใจแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นความเป็นความพอดีแล้วก็จะรู้จัก เวลาเออธรรมะเนี่ยก็คือให้มาศึกษาตัวเองชัดเจนนะพระพุทธเจ้าทขาบอกว่าคนไหนเห็นธรรมคนนเหนเราเข้าใจตัวเราเข้าใจกายเราเข้าใจกายมันเป็นยังไงกินแล้วกินทำไมต้องนอนทําไมต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดมาอย่างไรอย่างเงี้ยแล้วก็ะบวนการเนี่ยมันไม่ใช่เราเห็นแต่ตัวเนี้ยเราเห็นมันแล้วเนี่ยแต่เราไปยึดมันว่าเป็นเราของเราแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าโอ้มันเป็นธรรมชาติกระบวนการของกายมันเป็นแบบนี้นะกินแล้วทําไมต้องถ่ายท่ายทำไมต้อง นอนทำไมเห็นขบวนการเดี๋ยวก็เจ็บไปก็หายใจเพราะทไมพอใจแล้วไพอใจอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นในจิตอยู่เราตลอดเวลาถ้าเราเฝ้าดูกายตัวนี้พุ๊บเนี่ยมันจะเห็นขบวนการทั้งหมดเมื่อมันเห็นขบวนการทั้งหมดปุ๊บเนี่ยมันจะเฝ้าดูเมื่อเฝ้าดูมันก็ได้จปัญญาแล้วอุเบกขาวางเฉยกับอารมณ์สิ่งที่เกิดขึ้นเห็นกายกายใจของเราเนี่ยมันจะสลัดทิ้งสลัดทิ้งแต่มันเกินแค่ผู้ดูดูกายกับใจแค่นี้แล้วมันจะสนุกชีวิตเขาจะมีความสุข แต่มันจะสุกออกจากความโกรธความรบความหล ง, งจะไม่มีข้อความในใจเราจะเห็นใจของเราเป็นอิสระเนี่ยอันมาคิดว่าถ้าเราตามดูกายดูใจของเราเนี่ยตามดูกายแค่เนี้ยแค่งโ้อโเนี่แหละนะเอาง่ายๆน้อยๆเนี่ยตัวเอาแค่ทําตัวเดียวเนี่ยตามรู้สึกข้อความรู้สึกเนี่ยเราทําอะไรก็รู้สึกมือสัมผัสอะไรรู้สึกหมดมันเป็นตัวรู้สึกตัวเดียวเนี่ยตัวนี้จะเร็วจะทันทันทุกอย่างแล้วจะทําให้เรามีความสุขได้ครับอย่างนี้นะครับคุครับ นุ่มตอบความตอบปัจจุบันน่าจะดีกว่าอดีตนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาหลวงพ่อพะจะตอบผู้นิชาว์สำหรับที่เป็นอนดีตนะเอาปัจจุบันนี้ก่อนเพราะเวลามันสั้นนะเพราะฉะนั้นก็หมดเวลาพอดีไม่มีคําถามต่อไปลนะแล้วนะก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่จะ อ, อนุโมทนาเลิกกตรงนี้จะขอมอบของขวัญให้ของคนของที่น้ําใจให้กับวีการทั้งสองท่าน แต่ทั้งเราทั้งสีท่านเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่แล้วนะขอชุดหนึ่งภาพคนหลวงพ่อเทียนหนึ่งภาพแล้วก็นังสสอสามเล่มนะให้กับคุณหมอบุรธรกับอาจารย์วารุณีเปนะส่วนที่เป็นภาพคือรับจากพระอาจารย์พงศ์ที่เป็นเจ้าวาดนั่นคน คือเราเ <c oughs> ขาแสดงความดีทั้งทั้งสองท่านนะว่าเป็นปัญญาชนที่มีความกล้าหาญอย่างที่พูดอย่างนี้นะเข้ามาในการปฏิบัติแบบง่ายๆอย่างเราเนี่ยแต่ท่านก็เข้าใจพวกเราแต่หวังว่าท่านจะเป็นเทียนอีกเล่มหนึ่งที่จะไปต่อขยายในกลุ่มในปัญญาชนในระดับของท่านเพื่อที่เขาจะเป็นผู้นํา เทียนนี้ไปต่อให้กับสังคมไทยแล้วซึ่งมันกําลังจะมืดมนเต็มทีแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้นําสังคมส่วนใหญ่เป็นปัญญายชน mm hmm. ก็อยากจะให้ท่านช่วย mm hmm. สื่อนําเอาจเจริญสตีแบบนี้ก็ช่วยกันเป็นสื่อนําให้กับหพ่อเทียนนะเดี๋ยวเทียนเลี้ยงเไปแจกจะสว่างมากน้อยขึ่นไหนแล้วแต่ท่านจะเป็นจุดให้มากขึ้นท่านทั้งสองนครอนุทนาสาธุเรื่อนึ่งก็ขอนุทนาสาธุที่ทั้งหลายตั้งใจฟังอย่างอดทนแล้วก็ตั้งใจ ที่ไม่มีอะไรรบกวนเลยก็แสดงว่าหลายท่านได้สาระทั้งการาพูดถึงรายละเอียดภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีวิชาการประกอบอซึ่งก็หวังว่าอันนี้จะเป็นแบบอย่างในการที่เราจัดอบรมแล้วก็ใช้วิธีประชุมสัมมนาแบบนี้แล้วท่านหลายก็ได้รับประโยชน์เต็มๆก็หวังว่าการที่เราได้มาประชุมสัมมนาลักษณะนี้จะเป็น เหตุปัจจัยให้เกิดสติปัญญาสามารถเข้าใจบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกและสามารถปลูกฝังมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านด้วยกันทุกคนท่านถือับภัพพร้อมกัน <c oughs> อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระข่วาพุทธังพระวันตังอะภิวานินสวะขาตัวพระวัตตัมโมธัมมังนะมัสสัมมิ สุปาติป <myst icism> ันโนะขาวตวสาวกสังโฆสังขังนามีก็ยาหยุมหอนิดหนึ่งให้พระคุณเจ้าลุกไปก่อนเพ้จะได้ไม่สับสนเนาะสำหรับพรุ่งนี้เช้าก็เราก็ตื่นมา ปกตินะแล้วก็จะมีการสรุปในชุดของพระด้วยลหลังจากนั้นก็เรื่องหนังสือที่จะมาจะแจกเป็นทางการก็มีสือสาสตร์การตื่นรู้ส่วนหนังสือนกเพอเทียนสยันการตื่นรู้เล่มหนึ่งแล้วมีมีซีดีสำหรับซีดีที่ รูปก็ดีวีดีโอก็ดีคําบรรยายก็ดีถ้าใครอยากจะได้ก็ให้หาแฟลชไดร์หรือแฮนดิ้ไดร์เนี่ยมาจำเอาที่คอมพิวเตอร์มาให้คุณหนุ่มที่ถ่ายวีดีโอเนี่ยทำให้เพราะว่าเราจะมาเขียนมาเบินลงแผน่นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ทันสมัยแล้วเพราะามันบรรจุได้น้อยแค่เรื่องเดียวแต่ถ้าเราลงที่แฟลชไดร์เนี่ยมันจุได้เยอะจะเอาสักกี่เรื่องก็ได้ เอาแผ่นนึ่ไม่ไม่ถึงกิกแต่ว่าถ้าหาว่าเป็นที่ได้เนี่ยมี10บิกยี่สิบกิกยวกี่เรื่องแล้วก็ถ้าเป็นตัวแทนสมื่อว่ากลุ่มเนี้ยต้องการให้เอาไปเช่คนหนึ่งแล้วก็ไปจําต่อขยายกันเอาแล้วให้ลูกหลานแต่ว่ามันจะเล่นในคอมพิวเตอร์หรือไปลงแผ่นที่หลังก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เครื่องขยายแบบเนี้ยก็สามารถจะใส่ที่ได้ลงไปแล้วอ่านเลยก็ได้ไม่ไม่ต้องใช้แผ่นนะก็ตกลงว่าใครต้องการภาพ วิดีโอที่เราถ่ายที่นี่แล้วเสียงบรรยายของแต่ละวันให้ส่งเป็นทีดมาใ ห, ให้กับคุณหนุ่มคุณหนูจัดการให้หนุ่มที่เป็นนักปฏิบัติมาจาก น, นคามคอมำนมแล้วก็า่าเก็บปฏิบัติแล้วช่วยงานขอวงพอที่นี่แาล้วรายละเอียดใครอยากได้ก็เอาที่อยู่ของคุณหนุ่มไปแล้วคุณหนุ่มจะส่งให้ที่หลังก็ได้ตลุงเนาะเอาแบบนั้นนะก็ขออนุนาสาธุนพอไปพัก่อนได้